بismillahirohmanirohim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حوالولاوَقَوَاتِ إِلَّا بِاللهِ النَّعِزِيمِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهِ ความสริสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอ์จงประสบด้ทุกท่านนะครับทำดุละวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในบรรยากาศใต้วงปีของมลายิกาที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับที่มัสยิดสวนพลูแห่งนี้ทดุละ ศึกษาใครควรอัลกุรอานสุรยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็จะถึงโอกาสทักทายพี่น้องทางเ c e b o o k Live ของบ้านมุสลิมด้วยนะครับทำดูแลในวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันในตอนที่เกี่ยวข้องกับการที่เน บ, บียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ถูกจับไปขายถูกจับไปขายทอดตลาดนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีบทเรียนน่าสนใจมาก และเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนบิยูซุฟอะลาฮิสลามนะครับผมจะทักทายพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยนะครับว่าฝากแชร์ต่อกันนะครับและพี่น้องที่อยู่ที่มัใิดสวนพลูที่ได้ยินอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เรียนเชิญท่านใดที่สนใจนะฮะใครครวรซุรอห์ยูซุฟไปพร้อมๆกันเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะและมีบทเรียนสําคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะกับคนที่กําลังมีปัญหาในชีวิต กำลังประสบกับบททดสอบอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครให้การช่วยเหลือได้จะมีคีย์เวิร์ดหรือเป็นโคดคำหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากอาลัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาให้เป็นกำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายาผ่านเรื่องราวของนาบียูสุฟในผมแนะนำเียนกับพี่น้องว่า <c oughs> สุร้อนี้เนี่ยเคยเป็นกาลังใจให้กับท่านนาบิอัลลอฮ์สำัอย่างดี เป็นกำลังใจให้กับท่านนบีในการดำเนินชีวิตในการเดาวะในการที่จะพบกับอุปสรรคต่างๆจากคนรอบข้างที่กล่าวร้ายหรือว่าพยายามที่จะดิส c r e d i t ท่านนบีกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับท่านนบีสุลตาร์ฮุยลัยอัลสลามก็ได้อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ท่านนบีอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานสุรยุซุฟลงมาให้ท่านนบีสุลตาร์ฮุยลัยอัลสลามได้ ใช้ซุรห้หนนี้เนี่ยเป็นการ เ, เาเรียกว่าจันลงใจให้มีความ อ, อ, อบอุ่นมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของท่านนา บ, บีศอลลอซัมเนี่ยไม่แตกต่างกับนาย บ, บิอุุฟอะลัยสลเหมือนกับกำลังถูกพี่น้องของท่านเนี่ยทอดทิ้งนำเอาไปทิ้งในบ่อโดยที่ไม่ฟังเสียงร้องของนา บ, บิอุุฟแต่ประการใดนะครับเกินชอลล์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาใครควรเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับ ในอายะที่19เป็นต้นไปผมได้เล่าเล็กน้อยเกลนนําจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้รับทราบเนีว่าในบิวซุฟฟาริซลาม ต, ตอนเรื่องเลยเริ่มต้นเรื่องนะฮะอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลฮุอัลาได้บอกว่าตัวในบิวซุฟฟาริซลามเนี่ยได้เล่าความฝันแปลกประหลาดให้กับคุณพ่อของท่านได้ฟังคือนบีอาคุบตอนนั้นนบีอูซุยังไม่ได้เป็นนบีแต่นบีอาคุบเป็นนบีแล้วเล่าให้กับคุณพ่อฟังฝันแปลกประหลาดมากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ดวงดาว11ดวงเนี่ยซูอยู่ต่อท่านคุณพ่อให้คำแนะนำอย่างดีกับนบีกุซบบอกว่าอย่าได้นำเอาความฝันนี้ไปเล่ากับพี่พี่พอเริ่มสัมผัสความรู้สึกของพี่พี่เนี่ยมีอะไรฮะมีความอิจฉาริษยาต้องการที่จะให้นบีกุซบรับกับสิ่งที่ไม่ดีคนเป็นพ่อสังเกตความเป็นไปในครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็เลยมอบคาแนะนาที่ดีเยี่ยมกับลูกชายที่ท่านรัก บอกว่าอย่านำเรื่องนี้ไปเล่ากับพี่ๆนะเพราะพี่ๆจะวางแผนไม่ดีและก็เป็นความจริงพี่ๆเนี่ยกำลังรู้สึกว่านาบิยูซุฟแย่งซีนไปคุณพ่อรักนบิยูซุมากกว่ารักน้องชายของท่านก็คือเบนมีนเนี่ยมากกว่าจึงวางแผนกันจะทำยังไงให้ขจัดยูซุปเนี่ยออกไปคนหนึ่งบอกว่าฆ่าเลยอยู่คนนึ่งบอกว่าไม่เลยอย่าถึงขั้นฆ่าแกงกันเลยเพียงแค่จับยูซุฟเนี่ยไปทิ้งกลางป่า ก็ได้ตามที่พวกเราต้องการแล้วจับยูซุฟไปทิ้งกลางป่าก็ได้ตามที่พวกเราต้องการแล้วไม่ต้องถึงกับฆ่ากับแกงกันปรากฏว่าก็เลยมีมติตรงกันว่าจับยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเอาไปทิ้งนะฮะไปต่อรองกับคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อครับทำไมถึงไม่ปล่อยยูซุฟไปกับเราลาตัมันาลายูซุฟฟวินนาูลานาซีฮูนทำไมท่านไม่ไว้ใจพวกเราล่ะ พวกเราเนี่ยเป็นคนหวังดีกับยูซุฟนะอารซิลฮูมะนามะนาโกดียร์ตะวายลับวออินนัลฮูละฮะฟิซุปล่อยเขาเนี่ยไปพรองบอลเ้าจะได้เล่นอ่าจะได้เล่นจะได้มีความสนุกสนานกลางป่าเหมือนกับที่พวกเราได้เล่นและพวกเราจะปกป้องเขาเองปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าฉันเกรงว่าหมาป่าจะมากินต่างๆมากมายนะพเพียงแค่ยูซุฟเนี่ยหายหน้าจากฉันไปเนี่ยฉันก็เศร้าแล้วพี่ๆก็เลยบอกว่าสัญญาว่า เราพวกเราจะเป็นคนปกป้องยูซุฟเองหากหมาป่ามากินเนี่ยพวกเราขัดทุนอย่างแน่นอนนะครับปรากฏว่าคุณพ่อก็ยอมยอมที่จะปล่อยตัวท่านนาบยูซุฟอะลัยิสลามเนี่ยไปพร้อมกับพี่ๆที่มีเจตนาไม่ดีต้องการที่จะให้ยูซุฟอะลัยิสลามเนี่ยพ้นจากตัวของคุณพ่อพวกเขาจะได้เป็นเป็นกลุ่มคนเดียวที่จะได้อยู่กับคุณพ่อนั่นเองนะฮะลสุบฮานหัวแต่เราก็ เล่าเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาหาคุณพ่อช่วงเวลาค่าพลบค่าร้องไห้กลับมายาบกูนอ ah um, ่าวาจาอูอบาหุมไอชาไอยาบกูนแล้วก็บอกคุณพ่อว่าพวกเราเนี่ยเล่นกันแล้วปล่อยยูซุฟทิ้งไว้ปรากฏว่าหมาป่ามากินยูซุฟไปพ่อเนี่ยจะไม่เชื่อพวกเราแม้พวกเราจะพูดจริงอย่างนั้นหรืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงออกมาเนี่ยลักษณะที่ร้อนตัวนิดนึง ร้อนตัวว่าทำไมพ่อไม่เชื่อเราเนะครับทพูดที่พูดเอาเนี่ยพูดจริงแล้วยิ่งนําหลักฐานมาเยอะนะฮะว่าเจออูอแล้ก็มีเซฮีบิดามินกัสซิบนาเอาเลือดโกหกเนี่ยมาให้กับคุณพ่อพี่น้องดูนะฮะนายบียาคูปบาลิสทรมคําถามว่านาบียาคูปเนี่ยรู้ไหมว่าเลือดคนหรือเลือดแกะเลือดแพะรู้พี่ๆเนี่ยเอาเลือดไปเชือดแพะมาหรือเชือดแกะมาตัวหนึ่งแล้วเอาเลือดมาฉลมเสือ้อ แล้วเอามาใหคุณพ่อดูนี่ไงเลือดเลือดยูซุฟน บ, บียคูบเนี่ยรู้จักลูกๆดีแล้วรู้จักโลกนี้เนี่ยมาก่อนลูกๆแล้วมากกว่านั้นเนี่ยท่านน บ, บีซอลสัมบบว่าน บ, บีทุกคนเป็นคนเลี้ยงแกะหมายถึงว่ามีอาชีพมีหน้าที่เนี่ยมาบรสลอฮุน บ, บียันตามที่สร้อยขึ้นนะฮะอัลลอฮ์จะไม่แต่งตั้งใน บ, บีท่านใดนอกจากอิสลาร์อัลกอนัมนอกจากต้องเลี้ยงแพะ หรือเลี้ยงแกะทำไมครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยอุลมะบอกหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือแพะและแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดือ้อเป็นสัตว์ที่ต้องใช้การหลอกล่อเกี่ยวข้องกับการดาวะและมินมีความหมายเกี่ยวกับการติดดินมีความหมายกับการฝึกซ้อมในการก่อนที่จะรับสารของเลาะไปด่าวะเชิญชวนผู้คนดังนั้นรบรรดาในบีเละรอซูนเนี่ยจึงเป็นคนที่เลี้ยงแกะหรือเลี้ยงแพะท่านใน บ, บีก็ถูกถามว่าตัวท่านเองอย่างนั้นหรือในงานอุบลคอลีนะ แม้ตัวท่านเองอย่างนั้นหรือในบบก็ใช่ฉันเคยเลี้ยงนะรับกรอริสจะเป็นสถานที่อุลมะก็บอกเป็นสถานที่หรือเป็นหน่วยเงินของสมัยท่านนบีซอซำเองก็ตามนะฮะแต่นบีเนี่ยเคยเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงแพะให้กับชาวมักการนั่นเองนะครับดัง น, นั้นถามว่านบียาคูบเลี้ยงไหมครับเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วลูกๆนําเอาเลือดมาจะไม่รู้ได้อย่างไรอุลมะเขาบอกว่าหนึ่งที่นบียาคูบเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่า น่าจะเป็นศาสตร์ที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาต่อยอดจนถึงปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์แวดล้อมเนี่ยไม่มีโกหกมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่โกหกถูกไหมฮะทำไมนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงเป็นที่ยอมรับของสังคมทําไมรูม้ไหมฮะเนื่องจากว่ามันไม่โกหกทาไมคนเนี่ยจึงต้องมีการสอบเท็จหรือเขาเรียกอะไรนะฮะจับเข้าห้องจับเท็จจับเทสนี่ยังไงฮะ เขาจะมีการซักถามอะไรบางอย่างหรือมีคําถามหลอกล่อทําให้คนที่ถูกสอบเนี่ยต้องเผยอะไรที่มันไม่จริงออกมาการโกหกครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทําให้โกหกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นอิสลามเนี่ยให้ออกห่างไกลจากการโกหกท่านนบีเคยถูกถามมุสลิมเป็นคนขี้ขลาดได้ไหมนายบีบอกเป็นไปได้มุสลิมเป็นคนที่ตรหนีขี้เหนียวได้ไหยเป็นไปได้ไม่ไม่ใช่หมายถึงดีนะฮะหมถึงขี้ขลาดไม่ไดีดีแต่เป็นไปได้ เป็นคนตรนีทีเหนียวเป็นไปได้แล้วเป็นกัตราบัณได้ไหมขี้โกหกในบิบก็เป็นไปไม่ได้ผู้ศรัทธาจะเป็นคนที่จอมโกหกโกหกบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เนื่องจากอะไรฮะมันขันกับสัจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาให้มากับท่านนาบีสุลเลาะห์สัมแลกกับรรดานายบีท่านอื่นๆนะครดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาสจะพูดตรงพูดไม่ตรงได้แต่นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกนบียร์คุบก็ใช้การ เ, าเชิงนิติวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆแบบง่ายๆอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ท่านมีหนึ่งก็คือท่านดูเสื้อในบียูซุฟเนี่ยไม่ขาดอันนึกออกไหมฮะถ้าหมาป่ากินเป็นไงครับมันคงไม่ไม่คายเสื้อออกมาและเป็นสภาพที่ปกตินบียคก็บอกว่ า, วาอ ะ, ะนี่เสื้อเป็นยังไงทาไมเสื้อมันมันไม่ขาดวิน2ก็คือ นบียะกู๊บก็ดูว่าเลือดของมันเลือดอะไรอันนี้คือเวลาคนที่ผมเคยเห็นคนที่มีความชํานาญนะฮะแพะแกะเนี่ยโอ้โหเขามีความละเอียดว่าอันนี้คือเลือดอะไรยังสามารถที่แยกได้นะเลือดสัตว์เป็นยังไงดูคนที่ชํานาญดูปลาดูสัตว์ด้วยได้ต่างๆนะนาบียะกู๊บอะไร伊斯兰แน่นอนย่อมรู้เลือดคนอะไรเป็นเลือดคนอะไรเป็นเลือดสัตว์นะฮะก็เลยบอกกับลูกๆเนี่ยไปนะครับตอบไปว่า บาลซา ว, ล ะ, ล ะ, ลาวละละกอลบาลซาวะละสะกุมอัมฟุสกุมอัมรอไม่หรอกพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วมีอีกส่วนหนึ่งอุลม玛เขาบอกนะครับส่วนที่สที่นบียะกูบอะไลฮิสลาามเนี่ยมีความรู้อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากความรู้แวดล้อมแล้วและความรู้บริบทต่างๆเนี่ยเอามาประกอบว่าคนนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงอันนี้นี่เป็นศาสตร์ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอ่อคือรู้อะแต่บางครั้งทําอะไรไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับ นบียากรุปเนี่ยอาศัยบริบทคนที่มีวะฮีจากอัลลอฮ์แน่นอนว่ามีมุมมองที่เฉียบคมอาศัยบริบทจากแวดล้อมว่านบียูซุฟเคยฝันเห็นดวงดาวสิบเอ็ดดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อุลมะเขบอกว่านี่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกทำให้นบียากูุปเนี่ยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกๆนามาเนี่ยโกหกบอกว่ายูซุฟถูกหมาป่ากินไปแล้ว เป็นไปได้ยังไงคุณพ่อเนี่ยคิดเลยบอกว่าคือนอกจากหลักฐานที่ประจักษ์แล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกกินเพราะยูซุฟเนี่ยการฝันของเขายังไม่ถูกทํานายมันต้องเป็นความฝันที่ดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสเสบีดวงมสลซูยุดเป็นความฝันที่ดีดังนั้นเนี่ยมันจะจบแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยนบียะกู๊บจึงบอกว่าพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วทำอย่างไรกับทางออก นำตัวลูกของลูกชายมาไม่ได้ฟาซอบรุนจจมีลมีทางเรียกเดียวก็คือการอดทนอย่างดีงามนบียะกูบะเลซเลือกที่จะอดทนอย่างดีงามผมนําเสนอไปครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเนี่ย เ, เขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะกดแรงดึงดูดที่เขาเอามาเดี๋ยวนี้ในหนังสืออะไรเขาเขียนมาเยอะมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก ฎ, กฎนี้เนี่ยเป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ใครนําปฏิบัติเนี่ยก็ได้แม้จะไม่ใช่มุสลิมเองนะฮะ แล้วยิ่งมุสลิมเองเนี่ยที่เรามีฮะดีสจากเอ่อจากท่านอนับดุลสลาสมนิดกุศลีบทหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ท่านอบีุลสลาสมได้บอกรายงานถึงเลาว่าอันาอินดซอซอนนีอับดีบีข้าอยู่ที่ความคิดของบ่าวหากบ่าวคิดสิ่งใดน่ยคิดความดีได้รับคิดสิ่งที่มีดีได้รับในบียกูบริสตามเนี่ยผมนำเสนอพี่น้องอายะนี้นะอายะที่18เดี๋ยนี้ผมทวนเล็กน้อยนะครับท่านเนี่ยได้พูดประโยคนี้เนี่ยครั้งแรกและจะมีพูดอีกครั้งหนึ่ง พูดครั้งแรกบอกว่าฉันขออดทนอย่างดีงามแล้วก็อายัถัดมาส่วนถัดมาวะลอฮุลมุสตานุอิลามาตะซฟูนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือจากสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพูดหมายถึงว่าขอมอบขอฉันเนี่ยขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ในการที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้และเป็นความจริงนะฮะ น บ, บิยูซุฟอะไลส์สลามเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาัลแม้จะถูกโยนลงไปในบ่อได้รับการปกป้องอย่างนี้ปกป้องทั้งอันตรายภายนอกและอันตรายด้านความชั่วร้ายที่จะมาประสบกับท่านน บ, บิยูซุฟอะไลส์สลามแสดงว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตัลให้ทันดีทันใดแต่ยังไม่ให้คุณพ่อเนี่ยเจอเพราะคุณพ่อยังไม่ได้บอกว่าเอ่ยยังยังไม่ได้พูดในขณะนั้นนะฮะน บ, บิยัคุบอะไลส์สลามเนี่ยไม่ได้พูดในขณะนั้นว่าต้องการที่จะเจอลูก อีกอายะนึงตอนเบญเยมีนหายไปและพี่ชายค น, นโตอีกคนนึงเนี่ยคนตโตสุดเลยนะฮะหายไปเช่นกันกลับมาเนี่ยพี่น้องเนียบิซุฟเนี่ยกลับมาในสภาพที่แบบว่าบอกคุณพ่ อ, อ, อน้องชายเบญจามีนถูกจับไปเนบิยะกูปาเลสต์ลาลามเนี่ยพูดประโยคอีกประโยคนึงประโยคเดียวกันตอนต้นที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะฟาโอบรุญเจมีอ่าก่ อ, อนหน้นนี้คือบัลเซวาร์ละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาฟาโอบรุญเจมี อดทนอย่างดีงามแต่ไม่ได้พูดว่าเราคุณมุสาลพูดอีกประโยคหนึ่งผูก พ, พันกับอัลลอฮ์เหมือนกันพูดว่าอาลฮุอัยยะีนีบิฮิมจามีหวังว่าอัลลอ์จะนาพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดเลยเห็นฮะหวังว่าอัลล์จะนาพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดแล้วเป็นไงฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอุบกวายาบานียดฮับูฟต์ฮัสซุมียูซุฟวาฮีห์ละตียซูมิรอหิลลา ลูกๆเอ๋ยจงออกไปไปตามหา ย, ยูซุฟและพี่น้องของยูซุฟทั้งบินยามีนทั้งพี่ชายคนโตนะและอย่าสิ้นหวังในความเมตตาขอหรวแสดงว่าประโยคหลังที่มีความแตกต่างประโยคในครั้งแรกที่ยูนาวียูซุฟหายเนี่ยวัลลอฮุมุสตานอัลละฮ์เป็นผู้ช่วยเหลื อ, อ น, นแดงดึงดุดก็คืออัลล์เป็นผู้ช่วยเหลือจริงๆถูกฮะ แต่ในประโยคที่สองหรือครั้งที่สน บ, บิยูสุฟอะเลฮิสลาเออนบียะกุบเนี่ยได้บอกว่าอัสสลลัฮฺออัยยะเตียนีบิฮิมจะเมียหวังว่าอัลลอฮฺจะนํามานําพวกเขากลับมาฉันทั้งหมดแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเหตุการณ์นี้หรือคําพูดนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็นําเอาลูกๆของท่านเน บ, บียะกุ๊บเนี่ยได้มาพบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยสแสดงว่าอะไรฮะสแสดงว่าพลังแห่งคําพูดเนี่ยมีความหมายมาก ผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีของของทางตะวันตกนะฮะเขามีเาเรียกว่าหลักสูตรในการเซฟทอล์กคือการพูดแบบว่าพูดคำพูดดีๆกับตนเองอันนี้เนี่ยมีอย่างในอะไรนะครับการการพูดของญี่ปุ่นใช่ฮะการพูดแบบว่าพูดกับน้ำพูดกับน้ำแล้วก็น้ำมันจะเป็นโมเลกุลที่ดีกันใช้คำพูดที่ดีๆอันนี้เนี่ยมีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีหลักการทางวิทยาศาสตร์และก็มากกว่านั้นก็คือมีหลักการที่มาจากอันกุรอานและก็สุนัขของท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮุส AH สลาม AH นะครับแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยคือการพูดความหวังดีต่ออัลลอฮ์คิดว่าอัลลอ AH เนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะนํามานําพวกเขามาทั้งหมดเลยความหวังดีหรือหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือดูอาที่เราวิงวอนต่ออัลลอฮ์หรือบอกกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาอย่างที่จะได้นะฮะไม่ได้หมายความว่าให้เราดูอาแล้วก็จบเปล่า แต่ดูอาแล้วมั่นใจอเล็กจะให้แน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราจําเป็นต้องปฏิบัตินึกออกไหมฮะนบียากุบจึงบอกกับลูกๆว่ายาบานียาตาบูจงออกไปลูกๆเอ๋ยแล้วไปหายูซุฟแล้วก็พี่น้องของเขาและอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่ล้ําค่ามานะครับอ้าหลังจากที่กลับมาที่ตอนที่นบิวซุฟอะลีสต์รัมหายไปนะคร พอนาบิยูซุฟหายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาได้กล่าวในอายะที่19อันนี้ตัดฉากมาแล้วตัดฉากมาพูดถึงตอนที่นบิยูซุฟอยู่ในบ่อบ่อน้าที่ลึกที่มืดและอยู่กลางป่าที่พี่ๆเนี่ยไม่ฟังเสียงในบิยูซุฟอัลลอฮ์สุบฮานวนำเอามาเล่า ว, ว่าหลังจากนั้นเนี่ยซักระยะหนึ่งว่าจะสัยรตุน فأرسلوا ฟ ي د ه م “قال يا بشر ا هذا جلّام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون” แล้วก็ได้มีกองคารวานคณะเดินทางไซยาร้อนเนี่ยมาจากคำว่าซารา์ยาซีรอซีรอซีรอแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการดำเนินชีวิตหรือการเดินทางไซยาร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น อ, อะไรนะฮะการเดินทางอย่างมาก ไซอิสแปลวผู้ดเดินทางนะไซยารอนนี่คือการเดินทางแบบมากหมายถึงว่ากองคาราวานปกติแล้วเนี่ยก็คือคนที่มักจะเดินทางอย่างต่อเนื่องเราบอกว่านักเดินทางหรืออัสไซยาร้อเนี่ยคณะเดินทางเนี่ยยาอัตได้มาถึงมาถึงไหนรับตำแหน่งที่นบิบุซุฟอยู่ฟาอรซลูวารีนฮุมแล้วเขาก็พักอันนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งสมัยปัจจุบันนี้ต้องมีการพักขณะเดินทางอันนี้อีกบทเรียนหนึ่งนะครับ ต้องมีการพักสมัยก่อนไม่มีปั๊มก็ต้องหาแหล่งน้ำแต่สมัยนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันคือพักเนี่ยเพื่อที่จะให้พาหานะหรือสัตว์เนี่ยได้พักและเช่นเดียวกันให้คนได้พักประชยายเดียวกันนะพี่น้องดูนะปัจจุบันนี้เราเดินทางไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยมีปั๊มน้ามันเพื่ออะไรฮะสองอย่างที่จะพักคนพักและพาหานะพักเช่นกันพักอะไรฮะ คนอาจจะเข้าห้องน้ําอาจจะดื่มน้ํากินขนมกบเคี้ยวแต่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนก็แบบนี้อาจจะมาทานอาหารหรืออาจจะดื่มน้ำเนี่ยฟาอัลสลูวาลีเดหุมเนี่ยก็ต้องส่งคนไปไปซื้อน้ำถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะฝากซื้อน้ําด้วยเซเว่นแต่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีเซเว่นทําไงบ่อตรงนู้นเนี่ยก็เป็นเซเว่นของเขาสมัยก่อนนะฮะฟาอัลสลูวาลีเดหุมส่งคนไปแล้วก็นําน้ํำนาน้ําขึ้นมาไม่ต้องไปกันทั้งหมดและกองคารวันก็พักสัตว์อะไรต่างๆก็พัก ปรากฏว่าคนที่รับหน้าที่ไปตักน้ำเนี่ยไปคนเดียวใช่ไหมฮะมาตักมาเลี้ยงกองคารวานทั้งหมดพอเอาน้ำเนี่ยฝาดดลูลได้หรือวะเอาถังน้ำเนี่ยถังน้ำเนี่ยย้อนลงไปและมีเชือกใช่ไหมฮะเหมือนกับที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ําเป็นตาน้ำเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ํามันจะไหลามารวมกันตรงนั้นแล้วก็ย่อนลงไปแล้วเอาเชือกเนี่ยดึงขึ้นมาตักน้ําขึ้นมาตามปกติปรากฏว่าเดวีอูซุฟพอเห็นเชือกลงมาแบบนี้แล้วเป็นไงฮะ จับเชือกแล้วก็พยายามปีนขึ้นมาคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ตกใจพอดึงขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นคนปรากฏว่าเป็นคนแล้วก็นียมูฮัซบเนี่ยพี่น้องทราบดีหน้าตาดีและสแสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโงเห้งดีคือหน้าตาในร้อยยุดออนี่หน้าตาแบบคนคนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีหน้าตาคนแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วนะ่ะไม่เหมือนกับทาต ปรากฏว่าพอเขาเห็นแบบนี้เนะี่ยเขาก็เลยตะโกนบอกมาว่ายาบุชรอข่าวดีแล้วอ่าบุชรอแปลว่าข่าวดีอะไรอ่ะฮาากูลานี่คือเด็กอ่านี่มันเด็กนี่อ่านี่มันเด็กคือปกจะเอาน้ำแต่ไปได้เด็กมาลนะวาสรูฮูบิโตะแล้วพวกเขาก็ได้ปกปิดหู้นี่คือนบีอูซุปบิโอะเป็นอะไรฮะปกปิดเป็นสินค้าแทนที่จะส่งคืน ส่งคืนใครส่งคืนเจ้าของใครเนี่ยเด็กคนนี้มาจากไหนจะจับส่งคืนที่บ้านไหมว่าสัรูฮุบิโตะจับมาเป็นสินค้าเฉยเอาไปขายอ่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุอาลีมุมบิมายามุอัลลอฮ์เนรู้ในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้กระทํายาอามาลูอัลลอฮ์รู้สิ่งที่พวกเขาเนี่หมายถึงว่าพี่น้องนบีอูซุฟธรมและบรรดากองคาราวานเนี่ยที่จับตัวนบีอูซุฟเนี่ยเอาไปขายอย่างต่างแดน ซึ่งเป็นกองคารวานที่เดินทางมาจากเมืองมัตยันแล้วก็จะไปที่เมืองอียิปต์นะครับรอสุบฮานหัวแต่เราก็เล่าต่อว่าเราหูบมานิมบัซดราหิมมาอดดตินวกาูฟีฮิมินซฮิดนและพวกเขาเนี่ได้เชาราหูนี่แปลว่าขายเนี่ยผมใช้ชื่อตอนในครั้งนี้ว่านบีซุฟถูกขายเชาราหูพวกเขาขาย นบียูซุฟไปบีซามานินบัคซินด้วยราคาที่ต่ำเออคือสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากมีสงครามตามจะเป็นประเทศใดก็ตามนะฮะอนุญาตให้มีการซื้อขายคนสมัยก่อนสู้รบกันใช่ั้ยฮะแล้วก็มีเชลยศึกเนี่ยจับมาอันนี้เนี่ยก็ไปขายได้อ่จะซื้อต่อไหมหรือจะปล่อยเป็นเป็นไทยเป็นอิสระน่ก็ได้แต่บางทีเขาก็ถือว่าเป็นสินค้าเป็นอะไรกันซื้อขายกันนะคน สมัยก่อนยังไม่มีผิดกฎหมายแบบนี้นะฮะก็เป็นการขายคนแต่ปกติแล้วถ้าคนแบบใน บ, บิลยูซุฟอย่างสมัยก่อนหน้าตาแบบนี้นะฮะดูมีแววความฉลาดอยู่เงี้ยต้องขายได้ราคาดีแต่ปรากฏว่าพวกเขากลับขายบิส ม, มาร์นินบัคซินด้วยราคาถูกใน บ, บิลยูซุฟอะลัยซ์ลามดารอฮิมาเพียงไม่กี่ดิรฮัมมาดูนะนับได้เพียงไม่กี่ดิรฮมัม หมายถึงคนที่นำตัวนบีซุบหลบไปเป็นสินค้าเนี่ยแทนที่จะขายคือเขาไม่ได้เป็นคนเป็นเอ่อเป็นนักขายมา ก, ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ได้บอกว่ากาูฟ ah ีฮิมินซัดีซาฮิดินพวกเขาเนี่ยเป็นผู้มักน้อยด้วยซ้ำไปนะฮะนี่คือบททดสอบเอ่อครั้งที่สองของนบีซุบมักน้อยหมายถึงว่าบรรดาคนที่จับตัวนบีซุบไปเนี่ยเดิมเป็นคนที่สมถะแล้วนี่เป็นจุดสมถะที่ไม่ถูกต้อง คือบางครั้งเนี่ยสมถ t สมร t เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งถ้ามันมันมากจนเกินไปสมถะมากหรือผิดผิดพลาดจนเกินไปน ะ, ะมันเป็นสาเหตุทําให้ไปรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอผมยกตัวอย่าง อ, าอย่างเช่นสมถ t นี่หลายเรื่องนะฮะสมถ t อย่างเช่นในเรื่องการแต่งงานคนนี้สมถะคือแปลว่าไม่ยอมแต่งงานทำไมไม่ทำไมไม่แต่งงานหมายถึงว่าคือเขาพยายามที่จะบอกว่าเออไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่ยุ่งกับอะไรเลยนะฮะ อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เขาเนี่ยคือไม่อยู่กับผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งมีความพร้อมแล้วทั้งด้านการงานการเงินหรือว่าความสามารถด้านต่างๆนะฮะมีความพร้อมแล้วเกิดไม่แต่งงานอุลมะเขาบอกว่าการไม่แต่งงานในช่วงที่มีความพร้อมเนี่ยมีความผิดใช่ไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะกระโดดจากการไม่แต่งงานไม่อยู่กับผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะกระโดดไปจีนาหรือว่าผิดประเวณีได้มันจะมาไม่ตรงกลางคือเวลาคนที่สุดตรงฝั่งหนึ่งมันจะกระโดดอีกฝั่งนึ่ง เช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินนะฮะคนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะฮะเราก็จะเห็นคดีความต่างๆบางทีนะคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินเลยใช่ไหมฮะมันก็จะกระโดดมาอีกฝั่งเนื้อคือแทนที่จะผ่านการค้าขายแบบถูกต้องก็กลายมาเป็นการยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่นนึกออกไหมฮะคืออุลมะบอกว่าความผิดใดเนี่ย โทษทีความดีใดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองความผิดความดีใดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองความผิดซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยบางคนถ้าไปสุดตรงฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้มงวดกับตนเองไปจนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยศา ส, สนาก็จะมามีชยัชยชนะเหนือเขาไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยมันก็จะกระโดดมากลายเป็นจินนา นึกออกไหมฮะหรือว่าพยายามที่จะอดนั่นอดนี่ในสิ่งที่ศาสนามไม่ห้ามมันจะ ม, นมันก็จะกระโดดมากลายเป็นกินสิ่งที่ฮารอมรนึกออกไหมฮะดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าให้เอาตรงกลางเช่นเดียวกันการสมถะแบบไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งเนี่ยสมถะเอาไน้องดูนะฮะวกาอูฟีฮิมินัสไฮิดินเวลาขายนบยูซุฟไปเนี่ยเกรงว่าราคาจะสูงเกิน เกรงว่าพอขายไปแล้วเนี่ยราคาจะสูงเกินก็เลยขายแบบว่าราคาต่ําๆทั้งที่เขาไม่ได้คิดว่าไอ้ที่มันคือขายราคาแพงเนี่ยมันไม่ได้มีหลักการต้องห้ามถูกไหมฮะขายราคาคือมันอยู่ที่ความพอใจระหว่างกันในอุลมะเขาบอกเหมือนกันการค้าขายเนี่ยว่ามันมันขึ้นอยู่กับความพอใจบางทีเนี่ยกำไรเท่าตัวหรือสิบเท่าตัวก็เป็นไม่ได้อย่างที่ดินอะไรต่างๆอุลมะเขาพูดถึงนะฮะมสมัยซาบ์บาเองก็ตามประเด็นคือมันอยู่ที่ความพึงพอใจว่า เรามีสินค้าอยู่จะขายเขาเนี่ยพอใจไหมแต่เขารู้สึกว่าถ้าจะขายแพงเกินไปนิพาตนะฮะจะรู้สึกว่ามันจะมันไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่ทั้งที่เขาเอาใจใส่กับเรื่องความยุติธรรมแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยดันไปหยิบเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเอาลูกหลานของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบทำแล้วแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะผิดหรือพี่น้องเขาจะประเด็นที่ผมต้องการสื่อไหมฮะคือต้องการจะสื่อว่าคือบางทีเนี่ยอวกาณุฟีฮิมินาสใดิน สมมติฐานแบบผิดพลาดไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ยุ่งเหมือนกับว่าจะพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินถ้าสุดท้ายเราไปขโมยเข้ามาทําไมลูกของเขาใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นบทเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับในอญญายะที่ยีสิบอันนบีซุบถูกขายไปแล้วถูกจับตัวไปไปที่เมืองอียิปต์และถูกไปขายต่อในตลาดทาดแล้วเราก็เล่าว่าใครเป็นคนซื้ออจุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะมันมีอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าไอ้มุนฟิรอซาศาสตร์แห่งการอมองคน มีหะดิษบทหนึ่งที่เป็นฮะดิษที่ดออีฟนะฮะแต่ความหมายเนี่ยใช้ได้ท่าน อ, อนับดุลเลาะห์สำเนียงบอกว่าอิตตะกูฟิรอสอิตตะกูฟิรอสตันมุหมินฟัยนนาหูยันซุรุบินุรินละจงระวังการมองของผู้ศรัทธาเพราะเขามองด้วยกับการมองคือฟิรอซะการมองแบบเหมือนกับจะรู้ล่วงหนะ้าแต่เขาไม่ได้ทํานายดีแบบว่าทํานายแบบนักทํานายไทยทักนะครับแต่ที่เขามองเนี่ยคือมองด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์จงระวัง สายตานเฉียบคมของผู้ศรัทธาเพราะเขามองด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์บางอย่างนี่เขาพูดเนี่ยเป๊ะๆไม่ได้เป็นนักพยากรณ์นัก ท, ทายทักต่างๆเปล่าแต่ด้วยกับประสบการณ์นั้เราก็จะมีบางทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทั้งมีความรู้และมีประสบการณ์เวลาเขามองคนเนี่ยเขาจะรู้ออกคนนี้เนี่ยอ่าคนนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมาอิสลามจึงใ ห, ให้เกี่ยวกับการแต่งงานอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ อิสลามจึงให้เครดิตกับผู้เป็นพ่อหรือฝ่ายผู้ชายเวลามีคนมาขอลูกสาวทำยังไงฮ ะ, ะให้พิจารณาบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขามองบุคลิกของผู้ชายคนนี้ที่มาสภาพการแต่งกายคำพูดคำจาหรือบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้าไปเดินมาเนี่ยโอโ้รู้แล้วพี่น้องเคยสังเกตไหมฮะมันเป็นเรื่องแปลกนะเราไปสมมติบางทีเนี่ยนั่งรถไฟ บางทีนั่งรถทัวร์ใครที่มีคลื่นเดียวกันมันจะไปจูนติดกับคนที่มีคลื่นเดียวกันพี่เราลองสังเกตสิฮะคนดีเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะไปจูนติดกับคนดีแม้จะเดินทางไปเนี่ยเราจะไปเดินทางเฮ้ยเนี่ยเราจะเจอใครอ๋อเราเจอเห็นคนพวกสาบันเห็นคนไว้คราเห็นคนกำลังจะละหมาดอะไรแบบนี้ฮะเหมือนกับว่ามันจะเป็นคลื่นเดียวกันแล้วมันจูนกันติดแบบตุ๊ด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆุอันนี้มาแล้วคือพวกเดียวกัน แล้วคนที่ไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะคนที่ติดสุราบางทีติดยาเสพติดบางทออีทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยคลื่นมันก็จะตรงกันทีฤฤฤฤฤฤฤ่ต้องสังเกตไหมฮะทำไมบางครั้งเนี่ยคือเขาสามารถที่จะรู้จักกันแบบแบบรวดเร็วบางทีแม้แต่เขาเรียกว่าผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศก็ก็เท่นกันเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแป๊บเดียวทำไมเขาปุบ๊บอ่าไปอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วบางทีมาจากต่างสถาบันมาเข้าค่ายที่เดียวกันนะฮะ แป๊บเดียวเขาสามารถจูนกันติดหรือคนที่ติดยาวแล้วก็เอ๊ยทำไมเข า, า, าเหมือนกับรู้อะฮะถามว่าเขามาพูดจงครื่มรึเปล่าฮะเปล่าแต่รู้ได้ยังไงครับเพราะมีอะไรบางอยา่างดังนั้นนี่คือจุดสําคัญที่บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามองออกเนี่ยคนจะมาขอลูกสาวอะใครบางทีดูลักษณะออมันมั น, ม น, ม น, มนไม่ใช่คนนี้เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขามองออกอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งซึ่งมีเนะี่ยในอันคู ร, รัตระยะ ต่อไปนี้นี่ยั้ที่อัลล์ س ب ح ال ه และเาระบอกวาลีัตะหูมิมิสราลิมรอติฮิัคริมิมัธวะอาศัยย่ำฟะนะหรืนัททึกหรืนัททึกิดะหูวลาดะ وكذلك م, ر ر أ أ م ى ي ن, ن, م لي ن ا ليوسف ف الأرض وليعلمه من تأويل ا, أ ل أ ح د ي ث والله غالب على م ر ه و ن أكثر الناس لا يعلم الله รักเอาแล้วผู้ที่ซื้อเขานบียูซุฟเนี่ยซื้อนบียูซุฟไปจากอียิปต์ ไม่ถึงคนเนี่ยเขาอยู่ที่อียิปต์เขาซื้อนบียูซุฟอะไรวิษณ์ไปใครครับคนที่ซื้อนบียูซุฟไปนะครับก็คือชื่อว่ากิดฟิร์นะคนที่ซื้อตัวนบียูซุฟอะไรวิษณ์ไปก็คือชื่อเขาชื่อว่ากิดฟิร ถ้าเป็นอาซีซหรือผู้ปกครองเมืองอียิปต์คือดูแลเกี่ยวกับ เ, เป็นตำแหน่งหนึ่งที่อียิปต์นะครับ อ, อยู่บ้านหลังใหญ่โตนะฮะ บ, บอกกับภรรยาของตนเองบอกว่าลิมรออาตีฮบอกว่าอัครีมีมาวจงหาที่พำนักหรือที่นอนหรือว่าจัดแจงที่นอนให้แก่เขาอย่างดีให้กับนบียูซุฟอะเลสต์ไม จะมีหลายบทเรีย น, นะฮะบทเรียนหนึ่งก็คือการปล่อยให้อะไรนะหนุ่มสาวชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะตามลําพังอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะชายตอนจะเป็นบุคคลที่3ถูกไหมฮะอันนี้ก็เราก็ต้องระวังแม้บอกว่าคนที่แต่งงานแล้วแม้จะแต่งงานแล้วก็ตามแต่ปล่อยให้อยู่ตามลาพังเนี่ยไม่ได้ท่านในบีมีฮาริสบัคใหม่นะฮะผู้ชายอย่าเข้าไปในหมู่ของผู้หญิงมุดมีบ้านนี้นะฮะและหมู่ในผู้หญิงอยู่ผู้ชายอยู่ดีไปพงเข้าไปเนี่ย นบีหา้าหรือการที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองแม้จะเป็นญาติสนิทหรือคนที่อยู่ข้างในเขาเนอกออกไรได้ก็ตามได้มีเคยถูกถามห้ามอยู่ด้วยกันนะอะไรนะห้ามผู้ชายเนะี่ยเข้าไปในหมู่ผู้หญิงซอบ่าถามว่าแล้วถ้าเป็นญาติญาติกันอนะไรฮะนบีอัลห้มบุลเมาญาติญาติคือความตายเพราะอะไรฮนะเนื่องจากความตายใจแล้วก็เนื่องจากความสนิทที่มันอาจจะอยู่ด้วยกันแบบว่า ประจำพบเจอกันสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังอ่ะดูคนใช้ในบิลซุปมาในสภาพที่เป็นทาสหรือคนใช้มาอยู่แล้วก็อยู่กับซุเลยคอมันอยู่ตลอดแล้วในบิลซุปเป็นวัยรุ่นซูเลยคอก็เป็นยังไม่ได้ก็เป็นเป็นสาวหรือเป็นแม้จะแต่งงานแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราก็ต้องระวังเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีหลังจากนี้เนี่ยเป็นบทเรียนจากอันกุรานนะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่ง การต้อนรับนบียูซุฟอย่างดีอันนี้ถูกต้องนะแต่ว่าใช้วิธีการที่ผิดต้อนรับนบียูซุฟอย่างดีเพราะว่าเนื่องจากอะไรฮะมาดูอาซาไอยัมฟ้านะผู้ปกครองอียิปต์เนี่ยเขามองเห็นนบียูซุฟแล้วเนี่ยอุลามาเขาบอกว่า น, น่าจะเป็นผมจำไม่ผิดนะเป็นหนึ่งในสี่ของคนที่มีฟิโรสซาที่ถูกระบุเอาไว้ในตัวบทหลักฐานเป็นคนหนึ่งที่มองแล้วเนี่ยมองแค่นบียูซุฟหม อ, อนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละแต่ว่า มองแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์อะไรกับเราในอนาคตเนี่ยที่ผมบอกมาสักครู่เนี่ยฮะเวลาบางทีคนที่มีประสบการณ์นี่เป็นถึงขนาดเป็นเป็นผู้ว่าการอิบประมาณเนี่ยตำแหน่งอาซิสนะฮะผู้ว่าการอยิบเขามอกนะมิยูซุแบแวบแล้วเออนี่ไม่ธรรมดาละคนอื่นอาจจะไม่รู้หรืออาจจะมองว่าเออนามิยูซุบมีความฉลาดแต่นี่เขามองแล้วเนี่ยมากกว่านั้นนามยูซุบน่าจะเป็นประโยชน์กับเราอาซาออยัมฟาเนะนี่เอานัตตะขีตะหูวและดาหรือเราจะนําเอาเขาเป็นลูกบุญธรรมไปเลย ะแสดงว่ามุมมองของอาซิเนี่ยเป็นมุมมองที่เฉียบคมเข้าใจอะไรเป็นอย่างดีแต่บางทีเนี่ยก็คือเออเขาเรียกว่าแพ้ภรรยาของตัวเองแพ้ภรรยาก็คือไม่ไม่ทันภรรยาเดี๋ยวเราจะดูหลังจากนี้นะครับมิชชั่เราเอาเาก็บอกว่าวกาิกะเช่นนี้แหละหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้แหละ ที่น บ, บียูซุฟถูกจับตัวมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านของอาซิสผู้ปกครองเมือ่อีบเนี่ยเช่นนี้แหละมักการ น, นาลียูซู ฟ, ฟฟิลอาเราได้ให้ยูซุฟเนี่ยได้มีอำนาจปกครองแผ่นดินโอ้โหจุดนี้เนี่ยสำคัญมากพี่น้องจะดูนะฮะว่าพี่น้องจะดูนะฮะว่าเผู้ปกครองเมืองอียิปต์หรือว่าอาซิสผู้ว่าแห่งเมืองอียิปต์เนี่ยเขามี มีมุมที่เฉียบคมในความเป็นมนุษย์ที่อัลลอ์อาจจะให้กับใครบางคนเป็นไปได้อาจจะมีมุมมองที่แบบว่าชัดเจนกว่าคนอื่นเป็นไปได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮะนฮวาตาเนฟาวกอกุลลิีลมินาลมทุกคนที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าแต่เราบอกเช่นนี้แหละเราได้ทำให้ยูซุบ ป, ปกครองแผ่นดินนี่คือฟันธงเลยนะฮะผู้ว่าอียิปต์เนี่ย เขาบอกว่าหวังว่าน่าจะอ่าอันนี้คือมุมของมนุษย์ถูกไหมฮะมุมของมนุษย์นี่คือการคาดการการพยากรณ์จากประสบการณ์จากมุมมองต่างๆไอ้ยูซุ ฟ, ฟน่าจะเป็นคนคนนี้เนี่ยเอาไปใช้เลยนี่เนี่ยเป็ น, น, เ, ป น, นเป็นอักษรหนึ่งที่แบบว่ามีความสําคัญการมองคนการเข้าใจค น, ค น, คนว่าไอ้คนนี้ถ้าเป็นเป็นเจ้าเจ้านายหรือว่าเจ้าอะไรนะหัวหน้า ง, งานอ่ะจ้างเขาเลยคนนี้หรือถ้าเป็นเอ่อคนที่จะมาขอแต่งงานต่า ง, างๆใช่ไหมฮะเขบอกเอาคนนี้เนี่ยใช้ได้ เออเอาไว้เลยหรือไม่ก็คือมองเนี่ยมีความเฉียบคมหวังว่าน่าจะอาจจะผิดได้หรืออาจจะไม่ร้อยเอร์ซตก็เป็นไปได้นะครับแต่หน้าที่อาลอสุบฮานหัวตแต่เราบอกว่าเช่นนี้แหละเราได้ทําให้ยูซุฟมีอํานาจในการปกครองแผ่นดินอันนี้หนึ่งนะทำให้ยูซุฟปกครองแผ่นดินแล้ววลีนูอัลลิมาหูมินตะวีลิลาฮัดิสแล้วเพื่อเราจะได้สอนยูซุฟให้รู้ถึงการทํานายฝันรู้วิชาทํานายฝัน จุดเริ่มต้นก็คือที่ท่านนาบีอูซุฟเนี่ยย้ายจากเมืองกันอานถูกนำมาขายตัวที่เมืองอียิปต์นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญพี่น้องดูนะเอาลอให้ถือว่าจุดนี้เป็นจุดสาคัญทั้งที่ถ้ามาดูในชีวิตนบีอูซุฟเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันมันมองไม่ออกจะปกครองยังไงในอียิปต์เช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยผมกลับมาที่บทเรียนนะฮะ เราเองบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในช่วงจังหวะที่รู้สึกว่ามันจะมันจะแย่กราฟชีวิตมันจะตกประเด็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะฮะประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเรากำลังทำดีอยู่หรือเปล่าเราอย่ามัวมองเฉพาะภาพที่เราเห็นภายนอกแต่ให้เราดูว่าสิ่งที่เราทำดีไหม ดีกับตัวเราเองไหมดีกับคนรอบข้างไหมสิ่งที่เราทําเรียวกว่าเป็นย่าสารหรืเป็นความดีไหมถ้าเป็นความดีถ้าสิ่งที่เราทําเป็นความดีนะ ค, ะความดีต้องต้องเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เราทําเป็นความดีความดีจะไม่หายไปไหนความดีจะต้องกลายมาเป็นผลกรรมนี่ผมใช้ภาษายังไมนนะะ่ผิดนะผลกรรมนี่คืออะไรฮะผลจากการกระทํากรรมนี่แปลว่าการกระทําไม่ใช่กรรมจากชาติบางก่อนนะฮะที่เราเข้าใจ ผลจากพฤติกรรมของเรามันต้องปรากฏเพราะอะไรฮะเพราะเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้ที่เดี๋ยวจะมีอายะอื่นเนี่ยเรารู้เนี่ยอะลีมุมบิมายะมะลูนเรารู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำทะดังนั้นแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยคือจะยังไงก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะประเด็นคือเรากําลังอยู่ในการทําความดีไหมถ้าเรายังครอยู่ในการทําความดีมั่นใจอย่างไรก็ต้องได้ดีแต่ประเด็นคือเราต้องตรวจสอบว่ามันดีหรือเปล่าหรือเราทําบิดเบี้ยอะไรตรงไหนไหมอันนี้คือตรวจสอบก็ถูกต้องนะฮะ แล้ดูอย่างในเบลซุฟอาิซามอลัลลอฮ์การันตีช่วงนี้นะว่านี่คือเป็นจุดที่ทําให้ในเบลซุฟมีอํานาจและเป็นฮิกมาที่ผมน้ำหนึ่งกัพี่น้องว่าการทําผิดของคนเนี่ยคือความผิดแต่การที่อลัลลอฮ์อนุญาตให้คนทําความผิดคือความดีเข้าใจไหมครัคนหนึ่งทําความผิดแล้วจะมาบอกว่าเออมันมีฮิกมาฉันทําความผิดแบบนี้เนี่ยอ้างแบบนี้ไม่ได้คือเราถูกสั่งให้ทําความดีพี่น้องในเบลซุฟเนี่ยทําอะไรฮะ วางแผนจะจับการนาบียซุฟเอาไปโยนในบอ่อเป็นความดีหรือความชั่วครับความผิดจะมาบอกว่าเมีฮิกมาซ่อนอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์ยัไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลอนุญาตให้พี่ๆนบีซุฟจับตัวนบียูซุฟเอาไปปล่อยในบอ่ออนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นเป็นอะไรฮะณนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีเนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากเอลรอรู้ว่าถ้านบิวซุฟเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านนะฮะความฝันที่ท่านได้ฝันดวงดาว11ดดวงดวงทิศดวงจันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะและเช่นเดียวกันในบิวซุฟจะไม่ได้ปกครองเมืองอียิปต์เพราะก็จะได้อยู่ที่เมืองกันอานอย่างเดียวดังนั้นการที่เอลรออนุ ญ, ญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยแต่เอลรออนุญาตโดยพื้นฐานของฮิกมาแต่มนุษย์เราเนี่ยจะมาอ้าง อ้างเหตุการ์ล่วงหน้าหรือกรณ์รั ก, ก, ก, กที่เราจะ ก, กำหนดในอนาคตเนี่ยไม่ได้นอกจากต้องปฏิบตัติตามสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นในมุมของพี่ๆทำผิดแต่ในบุมที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ความผิดเกิดเนี่ยเป็นความดีเป็นฮิกมะของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาและเช่นเดียวกันคนที่ซื้อนบีอูซุปคนที่ขายนํานบีอูซุปไปเอาไปขายเนี่ยอัสเซียรอตุนยาอัสเซียอรอตุนกองคารวานเอานบีอูซุปไปขายเนี่ยเขาทำผิดไหมฮะทำผิดแต่อัลลอฮ์อนุญาต ที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความดีอันนี้เรามองในทุกเรื่องนะฮะในทุกเรื่องและนี่เป็นกรดอักรดที่สําคัญมากเราจะได้มองอย่างถูกต้องแต่ขนาดด้วยกันเราไม่ได้ถูกสอนให้ทําความผิดแล้วอ้างว่าอารเราะกําหนดแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องแต่หน้าที่ของเราคือทําสิ่งที่อาลเราะสั่งใช้ที่เรารู้ว่าเป็นความดีแต่ในอ น, นาคตเราไม่รู้แต่สมมุติว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่ออารเราะอนุญาตให้เกิดขึ้นมันต้องมีสิ่งที่ดี พยายามหาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีก็ตามนั่นเองนะครับเราจึงบอกว่ากระแดดิกรมะกะนัยูซุฟฟิลอัดังกล่าวนี้เราทำให้ยูซุฟมีอำนาจบนแผ่นดินวาลีนัอัลลิมาฮูมินตะวิลอะฮัดิสคำพูดนี้คุ้นคุ้ไหมฮะแล้วเพื่อเราจะได้สอนยูซุฟให้รู้การทำนายฝันเนี่ยอายะก่อนหน้านี้อัลล์ุบฮานวัวตาลาได้พูดถึง คำพูดของคุณพ่อในมิวซุปคุณบียะคุปในอายะที่6นะครับที่คุณพ่อได้บอกนบีซุปเอาความฝันมาเล่าใช่ไหมฮะอบอก็บอกว่ากะดาลิกายจัตบิการอบบูกะวายุอัลลิมุกามินตะวิลิลอาฮัดิธดังกล่าวนี้คือการที่พระเจ้าของเจ้าได้คัดเลือกเจ้าแล้วและจะสอนเจ้าให้รู้การทํานายฝันอุลมะเขาบอกว่าที่เรากเกิลเช่นนี้เนี่ยคือเป็นการตัสดีธเป็นการยืนยันคําพูดอันสัตย์จรถถิงของ นบียะกูบอลัยอิสลามนบียะกูบบอกว่าแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะสอนเจ้าให้รู้ถึงการทํานายฝันแล้วเราก็มายืนยันและเราจะสอนเจ้าจะสอนเขาหมถึงยูซุฟนะให้รู้ถึงการทํานายฝันแล้วพี่น้องดูตามทำนายนะฮะนบียูซุฟอลัยอิสลามเนี่ยตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงการทํานายฝันและฝันที่ใหญ่ที่สุดก็คือฝันของตัวนบียูซุฟเองซึ่งท่านไม่ไม่ทำทำนายไม่ได้ นอกจากหลังจากที่ได้ปกครองเมืองอียิปต์แล้วเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นําสูงสุดของอียิปต์แล้วฝันเนี่ยที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นี่สี่ฝันและนมียูซุบทาลายไปสามฝันแต่ฝันเดียวที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยฝันของตัวเองเนี่ยทาลายไม่ได้เห็นไหมฮะอัลลอฮุซุบฮานุวาต้องการที่จะสอนว่าคือบางทีมนุษย์คือจะเป็นคนที่มีความรู้ขนาดไหนก็จะมีบางอย่างที่เขาไม่รู้แน่นอนที่บอกว่าเป็นว่าฟาอกอัลกุลีดีอินมินอาลีมเหนือทุกคนที่มีความรู้ จะมีคนที่มีความรู้มากกว่าเสมอและอัลละฮ์คือผู้ที่มีความรู้มากกว่าผู้ใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในมียูซุบทานายฝันสามฝันสามฝันแรกฝันแรกที่ฝันเนี่ยเป็นความฝันที่ถูกทํานายท้ายที่สุดแต่อัลลอฮ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นและมียูซุบถึงรู้ว่านี่คือการทํานายฝันแต่ไม่สามารถจะทำนายได้ว่ามันคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่แสามฝันที่นมียูซุบทานายคือทำนายให้กับสองคน ชาวคุกตรงและทำนายให้กับกษัตริย์ที่ฝันอันนี้ก็ตรงเช่นกันเราจะศึกษาในหลังจากนี้นะครับท่นชอละอัลลอฮ์จะสอนในบูฮัซุัเนี่ยให้รู้จักการทํานายฝันแล้วก็บอกว่าวะลลอฮูโอลิบุลอัลลอัมรีอันนี้ก็จุดสําคัญอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้อยู่เหนือกอลิบุลนี่คืออยู่เหนืออัลล อ, อ, อัอนนอมรีรมะฮะบบอนนีอยู่เหนืออัมรีฮีเนี่ยคำว่าฮีในที่นี้ดอมิรหรือสรพนามนะฮะกลับไปหาอับดุลซุฟหมายถึงว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือ การงานของนบียูซุฟหรืกลับไปหาอ AH? ัลลอฮฺหมายถึงว่าอัลลอฮฺอยู่เหนือกิจการของพระองค์หมายถึงอัลลอฮฺเป็นผู้ดูแลกิจการของพระองค์นะฮะแต่ถ้าแปลว่าอัลลอฮฺอยู่เหนือกิจการของนบียูซุฟมันก็จะเห็นภาพว่าขณะนี้แม้ว่าเหมือนกับนบียูซุฟเนี่ยกำลังเป็นบุคคลที่ไม่มีค่าหรือตัวท่านนาบียูซุฟเป็นบุคคลที่ใครจะจับไปไหนก็ได้พี่นต้องรู้นะฮะอยู่ที่บ้านดูนะ อยู่ที่บ้านพี่ๆเนี่ยไม่พอใจจับนบิยูซุฟไปปล่อยทิ้งบ่อกองคาราวานมาเจอเห็นยูซุฟอ้าวนี่เด็กนี่จับเอาไปขายเอาไปขายคนที่เป็นอาซีซแห่งเมืองอียิปต์เจอนบิยูซุฟเออบอกกับภรรยะอาอ้าวเลี้ยงดูอย่างดีให้ที่พักอย่างดีจะทําอะไรเหมือนกับนาบิยูซุฟเนี่ยเป็นคนที่คือไม่สามารถจะดูแลควบคุมตัวเองได้ เราพอเราศึกษาโอ้โหแล้ว ร, รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> เหมือนกับว่าเออเดี๋ยวคนนั้นก็ให้ฉันมาอยู่แบบนั้นท น, นี้ก็ให้ฉันอยู่แบบนี้เหมือนกับไม่สามารถจะควบคุมทิศทางตัวเองได้แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเออไม่ใช่อาจจะเป็นคือให้เราตระหนักว่าแม้ว่าเราจะเหมือนกับไปตามกระแสน้ำก็ตามนะฮะแต่อัลลอ์สุบฮานหัวตาลเนะี่ยคือพระองค์ต่างหากคือผู้ที่ดูแล เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของเราเหมือนกันใน บ, บิยูซุฟคนอาจจะบอกว่าโอ้นี่ใน บ, บิยูซุฟนี่คือคือชีวิตท่านแย่มากใช่ไหมฮะอาจจะมองแบบนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่ออลาะบอกว่าออลาะเลยอยู่เหนือเรื่องราวของยูซุฟอะไรสักเล็บออลาะดูแลตลอดอาลาอัมริีแต่ประเด็นคืออวลากินอักรอนนาศิลายาละมุดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะออลาะดูแลการงานของนบียูซุฟกิจการของนบียูซุฟเช่นเดียวกัน ดูแลการงานของเรากิจกรรมต่างๆของเราเอเล็กก็ดูแลไม่ใช่เฉพาะอบดุยูซุฟแล้วก็อาย่านี้นะเนี่ยอเล็กก็ดูแลเราเหมือนกันวอลีบุน่าละอัมริฮีแต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนฮะแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้พี่น้องเอาไหมละครับความรู้แบบนี้ความรู้ที่คนส่วนมากไม่รู้ถ้าไม่ศึกษาอัลกุรอานนะฮะจะไม่มีทางรู้ความรู้แบบนี้ ความรู้แบบไหนฮะความรู้ที่คนส่วนมากไม่รู้ความรู้อะไรฮะความรู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะจะอยู่จุดไหนก็ตามของโลกของสังคมขณะนี้เนี่ยอัลลอ์ดูแลกิจกรรมของเราอยู่พี่น้องเอาเรื่องนี้เนี่ยไปผมว่าบทเรียนนี้บทเรียนเดีย ว, น เ, ยวนเนี่ยเอาไปใช้ตลอดอได้เลยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ตามวะลลอฮูลอริบุลอัลาอัมรีอัลลอฮ์กำลังดูแลกิจกรรมในชีวิตของเราอยู่ จะมีปัญหาเรื่องงานจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจจะมีปัญหาเรื่องออลูกจะมีปัญหาเรื่องที่ทํางานจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามวะลอฮูกรีบุลอาลาอัมรีอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมของเราอยู่แต่เวลากินอัคซรนสิลายะละมูลคนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้พี่น้องว่าใช่ไหมฮะใช่นี่นี่เป็น กาลาโมล้อหักคําพูดของอลอเป็นจริงคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ไม่รู้อัลลอฮ์กำลังดูแลอยู่เขาไปมัวบางทีไปพึ่งคนอื่นไปหันหาคนทั่วไปแต่ลืมว่าวะลอหูรอริบุอลอาลาอัมรีอัลลอฮ์กำลังดูแลกิจการของเขาอยู่เพราะอะไรฮะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้รู้เปล่าอัลอฮในคุตาอ่านชัดเจนแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าหากุตอ่านหรือบางทีเราก็ไม่ ไม่ได้มาคิดเลยว่าอัลลอฮ์กำลังดูแลอยู่นะหน้าที่ของเราเนี่ยคือปฏิบัติหรือทําหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนั่นเองนะฮะวะละกินอัสรันนาศิลายาละมือ น, นั่นเจุดสําคัญมากนะความรู้ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความรู้ในที่นี้คือการที่อัลลอฮ์กําลังดูแลอยู่อ่ะด น, นี้อัลลอฮ์บอกต่อไปอที่ี่สิองนะครับวัลมัมมาบลัลละอาชุดเดหูแล้วเมื่อนบียูซุฟอะลัยซ์สลามบัลละกบัลลุอาชุดเดหู อาชุ ด, ดาหูนี่คือวัยชะกันวัยชะกันเนี่ยวัยชกนเนี่ยอุลมาให้ให้ความหมายว่าก็คืออายุ30หรือคำว่าบาลกอาชุ ด, ดหูเนี่ยอายุ30หรืออาจจะส3ปีเป็นต้นไปอ่าแต่ในในตบับซิดเนี่ยเขาบอกว่าอายุ30ปีเมื่ อ, เ ม, อเมื่ออายุครบ30ปีบลกอาชุ ด, ดาหูเอาเให้อะไรครับอาไนาหูเราให้แกยูซุฟฮุกมันให้อะไร ให้ฮิกมาฮุกมันเนี่ยแปลว่าอะไรความสุขุมเราเฮือฮิกมาอวัยนมาและความรู้นะที่น่าสังเกตอัลลอฮฺให้ฮุกมันก่อนอวัมทาทั้งนี้ทั้งสองนี่สคัญและนี่เป็นหลักฐานที่บอกว่าฮิกมากับความรู้เนี่ยคนละส่วนกันแต่ผมจะอธิบายเล็กน้อยความรู้ก็คือในด้านข้อมูลหรือเขาเรียกอะไรนะฮะอินฟอร์เมชันด้านตัวข้อมูลด้านตัวความรู้อันนี้ก็เป็นก้อนหนึ่ง ส่วนฮิกม่านี่อีกส่วนหนึ่งฮิกม่านี่ที่อุลมามะเขาให้นิยามไปเยอะนะฮะเช่นอันฟ้ามความเข้าใจหรือว่าอันฟิกฟิดดีนความเข้าใจในศาสนาหรืการดําเนินชีวิตหรือวัดโอชัยอินมีฟีมาวเนีฮีการวางสิ่งใดเนี่ยเหมาะเจาะกับสถานการณ์เวลานั้นๆ น, น, นี่คือความหมายของฮิกม่านะั้ฮิกม่านี่สําคัญและคนละส่วนของความรู้ฮิกม่านี่คือ เป็นส่วนที่จะทำให้ความรู้เนี่ยเพิ่มพูนหมายถึงว่าเรามีฐานข้อมูล Data หรือ Information ใช่ั้มฮะมีก้อนหนึ่งคนที่มีฮฮกมาเนี่ยสามารถเอาความรู้นี้เอาไปใช้ได้แบบหลายสถานการณ์นึกออกไหมฮะแต่ถ้าความรู้อย่างเดียวความรู้สมมติบางทีคนมีความรู้สิหน่วยสมมุติเป็นหน่วยนะฮะเขาอาจจะใช้ได้แค่10 10หน่วยแต่ที่คนที่มีความรู้กมาอาจจะมีความรู้หน่วยเดียว แต่ไอหน่วยเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้20สถานการณ์ได้หรืกอเปล่าไหมฮะเหมือนกับอิมามชัฟฟีไรมาฮุลล้อนเนี่ยอย่างฮะดีษบทหนึ่งท่านสามารถที่ผมบรรยายที่เอ่ออะไรนะฮะชาฟฟีมาเรียมนะฮะอิมามชัฟฟีเนี่ยคือท่านหะดิษบทหนึ่งท่านสามารถถอดอิสติมบัดบทเรียนมาเจสิบทเรียนยนี้นฮะแะสดงว่าความรู้ในความรู้อะไรความรู้เดียวอินมันแต่มีฮิกมัดสามารถถอดมาได้เจดสิบแสดงว่า เจ็สิทธสถานการเนี่ยสามารถเอาความรู้เดียวเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่คนทั่วไปอย่างเราหรืออย่างใครใช่ไหมฮะเราจะไม่ถึงระดับนั้นเราแสดงว่าความรู้สําคัญฮิกมาเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้ความรู้และล้อที่เอาล้อให้ตักดิมหรือนําเสนอก่อนก็นคืออาเตยนาฮุก ม, มันให้ให้ฮิกมากับนบีอูซุฟเนี่ยก่อนว่อิลมาแล้วความรู้เนี่ยก็มาด้วยนะฮะแสดงว่าสองส่วนนี้เนี่ยมีความ สำคัญอัลลอฮ์อา ล, ะละมีมุลฮากีมเราเป็นผู้รู้และฮากีมเป็นผู้ปริชายานเดี๋ยวเราจะดูว่าคําพูดของนบียะกวบลิซัมก็บอกเหมือนกันตอนที่จะได้เจอลูกเนี่ยเขบอกว่าวะลลอฮุอัลีมุนฮากีมเลาเป็นผู้รู้แล้วก็รู้ ร, ร, ร, ร, รู้รู้ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นฮากีมนี่คืออะไรฮะรู้ว่าเวลาไหนที่ครอบครัวจะได้เจอกันอัลลอฮ์เราเป็นผู้รู้และมีความ รู้จังหวะเวลาว่าเวลาใดที่หเหมาะสมตัวเฮกมันเนี่ยผมเพิ่มอีกนิด น, นึงนะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาราเนี่ยถือว่าเป็นความยิงามมากมายยุตินฮฮกมัตามายะชะอลัลลอฮฺจะประทานฮฮกมาให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และใครก็ตามที่ได้รับเฮกมาฟะกะดูอูที่คอยรันกะซีรอได้รับความยิงามมากมายความยี่งงามมากเป็นคลังนะฮะเฮกมันนี่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะตีความรู้หรือว่าขยายความรู้ให้มันกว้างขึ้น ดังจุดนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะผมเคยได้เคยสรุปไว้ให้เนี่ยฮิกมานี่คือการได้จากอะไรบ้างการไข้ควรคุรอ่านเพราะคุรอ่านเป็นตินกะอายาตุนกิตาบินฮาคีมฮิกมาได้จากการศึกษาสุ น, นัขท่านาะมีสโลสมุน้นี่ถูกขณะน้ำว่าฮิกมาท่านมีปฏิบัติอย่างมีฮิกมาฮิกมาได้จากการข้ควรสิ่งถูกสร้างขอร้อยฮิกมาได้จากการไม่โกรธเพราะความโกรธนี่คือไม่สามารถควบคุมสติปัญญาซึ่งเป็นต้นของฮิกมานะฮะและฮิกมาเนี่ยได้มาจาก การเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆการอ่านการอะไรต่างๆนะครับมากมายอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากฮิกมาแล้วเราบอกที่อลัลลอฮฺประทานให้กับนบียูซุฟเนี่ยเนื่องจากอะไรบัลลาก็อาชุดดะฮูนะบรรลุวัยชาการแล้วเนี่ยได้รับฮิกมาและความรู้วะกาดะลีกาณาจินมุฮซินิดังกล่าวนี้เราได้ตอบแทนบรรดาคนดนีที่ผมบอกพี่น้องว่าบางทีสถานการณ์จะแย่งไงก็ตามนะครับเราทําความดีตลอด อย่างไรก็ตามเราควรทำความดีตลอดและความดีนี้เนี่ยจะไม่หายไปอย่างครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วที่ผมบอกบอกพี่น้องว่าช่วงที่นายบิลซุฟขึ้นสูงเลยนะฮะพี่พี่เนี่ยลืมไปแล้วจำนายบซุฟไม่ได้และตอนหลังเนี่ยมาแบบในสภาพที่แย่มากใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าช่วยเออเรานำเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของท่านเนี่ยเอาแบบของแย่ๆมาดังนั้นจะช่วยให้เราอย่างสมบูรณ์ด้วยเถิดสาดะกอให้กับพวกเราด้วยเถิดอัลลอฮ์ตอบแทนอินนัลลอฮ์ฮัยะจีซินมุตซัดดีกิน ตอบแทนคนที่ทำสดกอในมียูซุปก็สงสารเห็นพี่ๆมาในสภาพที่ยาแย่มากใช่ไหมฮะก็เลยถามกลับไปฉเฉลยแล้วว่านี่คือยูซุปและเฉลยแบบว่าใช้คำถามกลับไปก็ละฮัลอาลิมตุ่มมาฟะอันตุมบิยูซุฟะวะฮีฮีอิอันตุมยาฮิลุนพวกท่านเนี่ยจำได้ไหมทำอะไรกับยูซุฟและน้องชายของเขาไว้ตอนที่พวกท่านยังไม่รู้เรื่อง ทำอะไรเอาไว้เนี่ยจําได้ไหม is antum j a h i ลู n ก็รู้พวกเขากล่าวอินนักละอันตะยูซุฟท่านในยูซุฟเหร อ, อที่บอกกับพี่น้องว่านใียูซุฟอะไรอิสลามเนี่ยรู้ประกอบแล้วว่านี่คือพวกเขาแล้วก็คําพูดที่นบีซุฟบอกออกไปเนี่ยความฉลาดของท่านนะจะเฉลยเนี่ยคือให้พวกเขาเนี่ยให้ทึ่งเองอเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าในายูซุฟจะบอกพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัว ตั้งคำถามให้พวกเขาเนี่ยเกิดความทึ่งด้วยกับตัวเองจำได้ไหมว่าทำอะไรกับยูซุฟเอาไว้อ um ah ินอันตุมยาฮิรูนขณะที่พวกเจ้าเนี่ยได้เป็นคนที่ยาฮิร ah ูนยาฮิร ah ูนนี่คืออะไรฮะคือคนที่เขา่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นเนี่ยอินนะกะลาอันตยูซุฟเจ้าคือท่านคือยูซุฟหรือคำพูดนี้ไม่มีทางออกมาจากปากของใครนอกจากยูซุฟอิสลามนึกว่ายูซุฟเนี่ยหายไปแล้ว นึกว่าไปที่ไหนตอนไหนแล้วปรากฏว่าอา้าวนี่มายูซุฟเฉยอันตะยูซุฟก้ออะไรในบิลซุฟอันายูซูฟูฮาฮาซาอัคีตอนนั้นบิญจมินอยู่กับในบิลซุฟอะไรใช่ไหมฮะอ่าและนี่คือน้องชายของฉันก็เดี๋มันลัลลอฮในบยูซุฟไม่เคยลืมอัลลอฮ์พี่น้องดูไม่เคยลืมอัลลอฮ์แล้วบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาแก่พวกเราในบยูซุฟไม่ได้บอกว่าเห็นไหมล่ะเป็นไงหัวเราะที่หลังดังกว่าไม่ได้พูดแบบนี้ นอบน้อมต่ออัลลอ์ไม่เครียดแค้นพี่พี่ก็ดิมันอัลลอฮูอัลยนะแล้วประโยชต่อไปที่ผมบอกว่าเป็นประโยคที่เด็ดมากนะฮะที่ในยูซุปได้บอกเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาตอกย้ำประโยคตรงนี้อินนัฮูไมยตกีวยสบิรแท้จริงใครก็ตามที่ตักวาและอดทนฟะอินนัลอฮะลาอูดีวอัจรันมุฮัซินอัลลอ์จะไม่ทําให้ผลตอบแทนของคนดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใด ไมยติกิถ้าคนมีตักวันมีความอดทนถ้าเขายังคงตักวัและอดทนทําแบบนี้อยู่ต่อเนื่องน ะ, ะทําแบบนี้อยู่ต่อเนื่องแล้วบอกเออไม่เห็นได้แล้วอะไรไม่เป็นเป็นเป็นไปไม่ได้เพราะอายะกนะุรอานะ่านนะอินนะไมยติกิวยัสวิทะอินนัลลอฮะละยูตีอัจรันมุฮซินอัลลอฮ์ไม่มีทางทําให้ความดีของคนดีศูญหายไปแต่อย่างใดอาจรันมุฮซินีนละยูดี uh ไม่ทําให้ศูญหาย มันอยู่อะฮะมันคืออะไรมันคือสาสารไปแล้วความดีที่เราทําเนี่ยมันกลายเป็นการกระทําไปแล้วความชั่วก็ชนึงความชั่วนี้อาจจะลบล้างได้นะอินนัชซานัตยูซิบุนัสซีอาตความดีจะมาลบล้างชําระล้างความชั่วแต่ความดีที่ทําแล้วเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ถ้าไม่ทําความดีแล้วคนจะมาบอกแบบแบบนี้ไม่ได้ว่าฉันทําความดีแล้วไม่เห็นผลเลยเดี๋ใจเย็นๆเดี๋ยวจะเห็นผลแล้วในโลกนี้ด้วยอัลลอฮฺ นอย่างน บ, บยูซุะน บ, บซุไม่เคยมาพูดบอกว่าอู๋ฉันทำดีมามากต่อมากทาไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้เคยได้ยนินใน บ, บิลยูซุปพูดแบบนี้ไหมฮะไม่เคยกล่าวแั่ในบิยูซุปในรู้ยังไงเราต้องตอบแทนความดีเนี่ยไม่ตะกีวัยสบิร์ใครตะกวายและอดทนเนี่ยเราจะไม่ทาให้สูญเสียเช่นเดียวกันนี่เป็นระบบธรรมชาตินะใน บ, บยูซุปรู้กฎธรรมชาติจุดนี้สาคัญมาก จุดนี้คือทําให้เราเนี่ยมั่นคงอยู่การทําความดีเป็นความดีเนี่ก็ตามการพัฒนาตนเองการทําอะไรเล็กน้อยที่เป็นความดีการละหมาดประจําพี่น้องคิดว่าคนที่ละหมาดประจําเนี่ยจะเท่ากับคนที่ไม่ละหมาดนะแล้วพนละหมาดประจําไม่เท่าแน่นอนไม่เท่ า, นน ท, านนทุกเรื่องนะละหมาดแต่จริงแล้วเนี่ยคือสอนคือละหมาดผลบุญนั้นที่ร้อนนี่คือเราแน่นอนนะ แต่สอนให้เรามีชีวิตในดุน y าอย่างดีงามด้วยอย่างสงบสุขสอนให้มีโฟกัสพี่น้องเชื่อไหมฮะผมพูดแวะเรื่องนี้นิดนึ่งนะฮะเราทักทายพี่น้องทางเฟซบุ๊กไลฟ์เลยนะฮะอตอนนี้กําลังรับชมอยู่ในการพูดคุยเรื่องรานาบิอุสุฟอะลัยฮิสลาฮนะการละมาดเนี่ยสอนในบิอุสุฟเนี่ยผมเคยเ อ, อธิบายไปหลายครั้ง น, นะครับว่านาบิอุสุฟอะลัยฮิสลาฮเนี่ยท่านเป็นคนที่รู้จักศาสตร์แห่งความสําเร็จศาสตร์แห่งความสําเร็จ นาบิรู้อะไรทําอะไรแล้วเนี่ยทําให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเรื่องราวนาบิอุสุฟน่าศึกษาอย่างมากอรู้ว่าพี่น้องรู้ความความรู้เดียวนะฮะวันนี้ที่ได้จากนาบิอุสุฟเนี่ยก็คือความดีเนี่ยมันจะไม่หายมันจะต้องเกิดมาเป็นตัวเราเนี่ยคือมันเกิดนเนื่องจากสิ่งที่เราทําในอดีตมันก็กลายมาเป็นตัวเราแล้วเราจะเปลี่ยนอนาคตของเรายัางไงฮะ เราก็สะสมทำสิ่งที่ดีๆในปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตละหมาดเมื่อกี้บอกว่าเล็กน้อ ย, น, ยนะฮะแต่มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องมือสื่อสารนะอย่างที่พี่น้องกำลังชม Facebook Live นะครับหรือพี่น้องที่รับชมเราฟังที่นี่เนี่ยมันเป็นยุคที่การรบกวนสมาธิเนี่ยเยอะมาก รบกวนสมาธิด้วยกับสื่อออนไลน์ต่างๆน้งองว่าเยอะไหมฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะหมครับเยอะมากแล้วมันทำให้เราเสียสมาธิอย่างรุนแรงงานเาลองไปดูนะฮะงานที่มันไม่เสร็จเนี่ยเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะเราทําไม่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเก่งหมดนะฮะแต่ประเด็นคือมันไม่สามารถที่จะมั่นคงหรือโฟกัสกับงานที่ทําได้ อย่างต่อเนื่องมันทําอะไรเดี๋ยวมันไปเช็คลายแล้วไปเช็คเฟซแล้วเดี๋ยโทรศัพท์มาเดี๋ยนั่นมานี่มามันรบกวนตลอดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือแทนที่มันจะทําอะไรที่มันยืดยาวคนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเสียสมาธิแม้จะทํางานในบริษัทนะฮะมันก็จะมีอะไรมาดึงไปตลอดอนี้เนี่ยคือเจ้านายจะมามาดูไม่ได้แต่ก่อนคือใช้หน้าคอมใช่ไหมฮะ แต่เหล่านี้นี่คือมันมีทางออสื่อออนไลน์ต่างๆมาดึงสมาธิมากแต่กําลังจะบอกพี่น้องว่าเรามีละหมาดผมว่าให้มีละหมาดเป็นโมเดลให้ละหมาดเป็นโมเดลในการทํางานทํากิจกรรมต่างๆผมเชื่อว่าเราที่เราละหมาดกันนะมีใครมานั่งเช็คอะไรสักอย่างไหมฮะเช็คลายใครมานั่งเช็คครอย่างน้อยประมาณ5นาทีบางทีสินาทีเนี่ย เราสามารถจดจ่ออยู่กับการละหมาดได้ซึ่งห้านาทีสิบนาทีปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้ก็ค่อขนข้างยากแล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยเอาเอาโมเดลของกาละหมาดเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเร า, เ, าเราละหมาดแล้วละหมานี่คือมีที่พนกับชีวิตของเราแล้วนะฮะเอาไปใช้กับกิจกรรมอื่นบ้างเริ่มจับงานใดแล้วไม่ทิ้งจนกว่าจะเสร็จงานนั้นก่อนว่าตรงนี้สําคัญมากและความรู้สึกของเรานะฮะจะทําให้เราเห็นว่า เราเองมีคุณค่าแต่เราเนี่ยไปสนใจนั่นทีสนใจนี่ทีเนี่ยมันทําให้เราเสียโฟกัสเสียสมาธิไปนะครับนะนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาล็อตสุภานะหัวตะระให้กับเราความดีในที่จะไม่สูญ เ, เปล่านั่นเองนะครับมาถึงอายาที่ยี่สินะครับ อ, อ, อีกอายะหนึ่งชาวล็อตจะมาเพราะว่าจะเป็นขึ้นเรื่องใหม่แลมป์บลับด้วยนะฮะอายาที่1 9บเก้ถึงยีนะฮะส่วน อ, อายา อ, อายาหนึ่งเนี่ยจะมา พูดคุยต่อในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังมัสยิดสวนพลูแห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางเฟซบุ o กไลฟ์นะครับถ้าใครมีคําถามในช่วงตอนท้ายก็ยินดีนะครับทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันมาได้แล้วก็ถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเดีวพี่น้องเทศที่ที่อยู่ในมัสยิดหลังนี้นะครับมีชอเลาะถ้าใครมีคําถามมุสีมะก็มีคําถามได้ หรือมุสลิมก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมขอทักทายพี่น้องที่ติดตามทางเฟซบ o o กไลฟ์ไปด้วยนะครับมีคำถามอะไรไั้ยฮะเชนครับเชนครั บ, บ, บใช่ฮะคือในหมู่พี่น้องของนบี ยูซุฟอะลีอิสรามเนี่ยนี่คืออาลุยากรูปหรืออาลู อ, อ, า อ, อิสโตรอีลเป็นครอบครัวและยังอาจจะมีบันีบนับนีนี่คือจะเป็นรุ่นหลังเป็นต้นไปและอาเล่คือครอบครัวของอิสโตรอลอิสโตรอลเนี่ยก็เป็นชื่อของนบียากรูปและต้นตระกูลนี่สิคนเนี่ยนะฮะแยกออกมาเนี่ยเป็นยิวเป็นคริสต์เป็นบันีอิสโตรอลปัจจุบันนี้ดังนี้ยิวก็คือกลับไปหาจะมีคนหนึ่งที่ยุคหลานยุคเหละอะไรเนี่ยฮะชื่อยาหูซา อันนี้ก็เป็นที่มาของยฮูดเนี่ยนะครับอลละหอลาอาจจะมีหลายหลา ย, หลายงานใช่ฮะคือมีมีหลายเผ่าฮะไม่ฮะมีมี ม, ม, มีมีในส่วนส่วนของตระกูลเขาเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชื่อทานองนี้นะฮะเยฮูดนะครั บ, นะรบแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบนีสโรอินทั้งสิ้นเลยเป็นบณีสรอินทั้งสิ้นนี่เป็นลูกหลานทาไมจะถามว่า ทำไมต้องมามาอ้างไปถึงนบียกูบทำไมต้องอ้างไปถนบียากูบเพราะนาบียากูบเนี่ยเป็นต้นตระกูลของฝั่งของมานิสตรีนใหญ่เลยเถ้าถ้าเราดูนะเขาเรียกว่าชาร์จอย่างที่ผมจะล่างให้พี่น้องดูนะครับข้างบนเนี่ยนบีอิบราฮิมขนาดน้ำว่าอบุลอัมบียบีดาแห่งบรรดานาบเีเพราะนาบีหลังจากนั้นเนี่ยผ่านสายนาบีอิบราฮิมทั้งสิ้นเลยเดออกไหฮะ นบีหลังจากนั้นเนี่ยผ่านสายนบีบรูฮิมทั้งสิ้นเลยนบีิบรูฮิมตามมันมีสองลูกสองคนนะฮะสองคนที่ดังบางคนอาจจะบอกมีคนท่านอื่นด้วยสองคนที่ดังเนี่ยหนึ่งก็คือคนคนโตในบีอิสมาอินอันนี้เป็นต้นตระกูลของอาหรับใช่ไหมฮะเขาไปแต่งงานตัวนบีอิสมาอินเองเนี่ยไม่ใช่อาหรับหมายถึงว่าคือเป็นต้นตระกูลใช่แต่ไปแต่งกับเผายุรหุมแล้วก็มีลูกหลานเป็นอาหรับนะฮะอ่านบีใครนบีอิสมาอินลูก คนแรกจากภรดียคนที่2ท่านหญิงไฮยัตลูกคนที่สองจากพเดียคนแรกเนี่ยตอนชรามากแล้วนบีอิสมาอินเนี่ยก็ในประมาณ80แล้วเลยนะฮะส่วนนบีท่านที่สองถัดมาคือนบีอิสฮักอิสฮักนี่เป็นปู่ของนบียูซุฟนะฮะซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีอิสฮักแล้วสัญญาให้นบีบรหิมเนี่ยย่ากู้เพิ่มขึ้นไปอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าให้อันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจาก ฟัลม์มาต์จะเหุมว่าม่บุดนัมินดูนิลลาห์ว่าเบเหอิสหกวายบหลังจากนบีอิบราฮิมเนี่ยปลีกตัวออกจากพ่อและก็กลุ่มชนของของท่านเนี่ยที่อิบราติมตอบสิน الله, เนาะจักรอาออ้ตอบแทนด้วยกับการให้ลูกคือนบีอิสหักนบียาคูบเป็นเป็นนบีลูกและหลานเนี่ยต่อเนื่องเลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลอีกฝั่งหนึ่งอา อ, อิสราอีลก็คือนบียาคูบดังนั้นเนี่ยนบียูซุฟก็เป็นลูกคนหนึ่งของอิสราอล แต่ไม่ใช่มีเฉพาะในะมียูซุฟอย่างเดียวดัง น, นั้นเนี่ยศึกษาสุรัทยูซุฟเนี <c> ่ย <oughs> ทําให้เรารู้จักบันทึอิสราเอลดีขึ้นรู้จักแบบต้นเลยนะฮะต้นตระกูลเลยและศึกษาจากสุรัตน์อื่นๆเนี่ยมาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําให้เราเห็นภาพรวมเนี่ยเรามีให้ไม้มยอย่างสวยสวยงามมากทําไมฮะเนื่องจากว่าแน่นอนสมัยท่านนบีเองเนี่ยบรรดาชาวย uh ิวเยฮูดมีบทบาทถูกไหมฮะและสมัยปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ ยาฮูดก็มีบทบาทบันทีสตรอินมีบทบาทกับโลกนี้เราก็ศึกษาพฤติกรรมลักษณะนิสัยและวิธีการที่อยู่ร่วมกับพวกเขาได้ดีใช้การอดทนตักววและอดทนเข อ, อยว่าแต่คนอื่นที่เขาจะทำอะไรที่ไม่ดีนะฮะแม้แต่ในะบิยูซุฟเองอยังทำได้คือมันก็จะเข้าใจอ๋อทำไมเขาโหดแบบนี้เนี่ยอุกตูลูยูซุฟฆ่ายูซุฟเลย คือเขาไม่ได้บอกว่าคือฆ่าปาเลสไตน์เลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าฆ่ายูซุซคือปาเลสไตน์นี่อาจจะเป็นอาหรับใช่ไหมอาหรับนี่เป็นอะไรลูกพี่ลูกน้องเป็นสายของอิสมาเอลนึกออกไหมฮะสายฮอนอบิอิสมาเอลอาหรับแต่นี่อย่าว่าแต่ไปฆ่าข้ามพันุ์เลยนะฮะฆ่าลูกพี่ลูกน้องเลยฆ่าน้องตัวเองเนี่ยยังจะยังมีมาแล้วมันก็เลยบอกไม่แปลก ทำไม่จิตใจเขาแบบนี้อ๋อมันเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยศึกษาจากประวัติศาสตร์อุคตูลูยูซุฟอะแต่ก็มีคนที่ยุติธรรมอยู่เห็นไหมฮะมีคนอย่างนบียูซุฟอยู่มีคนอย่างบินญามินอยู่มีคนอย่างพี่ชายคนโตที่อาจจะมีความผิดน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังเป็นลูกของนบีอะไรฮะนบียาคุบทั้งสิน้นอะไรมุสลิมตัวอัสลามนะครับอ่ามีคําถามอื่นไหมครับเชิญเชิ น, นะฮะเดี๋ยวผมขออ่านจากเอ่อเฟซเล็กน้อยนะครับ เชิญเเลยนะครับถามได้นะครับ ค, คุณคุณคูเฮขอยาบอกแชร์แล้วนะครับเชิญครับเชิญครับการบบุญบุญธรรมก็สามารถที่จะรับได้นะครับหมายถึงว่าเลี้ยงมาเป็นบุตรบุญธรรมแต่ว่าให้สายตระกูลเนี่ยเขาเป็นลูกของคนเดิม ใช่ฮะอย่างในซุร้อลอฮซาบนะฮะให้เป็นลูกของคนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เขานะฮะทิอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮัวตาระได้บอกว่า อ, อุดุ ع ุมลีอาบัยฮิมหัวอักซะตุอินดัลลอฮ์ว่ามาจะละอเดียะอัคุม อับนาเกุม ذلك ุม قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل นี่อันนี้ทีาเรามายกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมที่จะอ้างชื่ออ้างชื่อไปหาคนที่เลี้ยงดูเนี่ยไม่ได้แต่ให้อ้างชื่อกลับไปหาบรรพบุรุษของเขาจริงๆอันนี้เป็นเหตุผลที่อิสลามห้ามเปลี่ยนนามสกุลหมายถึงว่าไม่ใช้นามสกุลของคนอื่นไม่ได้ แต่ให้ใช้นามสกุลของจริงนามสกุลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนามสกุลที่เราตั้งแบบนี้นะนามสกุลก็คือชื่อของพ่อเนี่ยว่าเราเป็นลูกใครก็ลูกของพ่อเราจะมาบอกว่าเอาฉันเป็นลูกของคนนี้ทั้งที่เราเป็นลูกของอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะสับสนสายตระกูลดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูได้แต่ว่าภูกรมต่างๆก็จะมีมาว่าเออการถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมารมกันโดยตรงนะครับว่ลลารออาลับใช่ฮะ ก็จำเป็นต้องใช่ฮะใช่ฮะครับใช่ก็จริงจริแล้วเนี่ยที่ศาสนาห้ามเนี่ยคือการเปลี่ยนสายตระกูลคือเปลี่ยนชื่อของพ่อ ในภาษาไทยเนี่ยหรือในธรรมเนียมของไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่เปลี่ยนเน่ยดีที่สุดเพราะเปลี่ยนานามสกุลนี่คือเปลี่ยนตระกูลบางทีแต่งงานแล้วไปเปลี่ยนใช้ของนามสกุลของสามีผู้หญิงเนี่ยใช้นามสกุลของสามีเนี่ยมันก็เป็นนามสกุลเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นที่ต้องห้ามของหลักการอิสลามได้นะฮะแต่มันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่านามสกุลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาตั้งกันสมัยแค่รอห้ารืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะและบางคนก็ไปตั้งเขาเรียกว่าตั้งนามสกุลแบบ ค, ค, คิดขึ้นมาเองหรือว่ามานำสกุลใหม่แต่ว่าที่ห้ามโดยตรงนี่ก็คือสมมติว่าฉันเป็นลูกของคนนี้แล้วก็มาเปลี่ยนว่าฉันเป็นลูก อ, อีกคนหนึ่งเพราะเขาอยากอาหรับนะฮะอย่างอาจารย์ผมคนอาหรับเข้ามาเขานำสกุลหนึ่งก็คือชื่อพ่อของเขาส่วนลูกเขาเนี่ยไม่ใช่นำสกุลเหมือนเขานะฮะนำซุก็คือตัวเขาเนี่ยแหละผมดูในใบสูติบัตนะฮะ เวลาไปเดินเรื่องอะไรให้เนี่ยเพราะเวา ด, ดูสุดิบัตสเอ้ยทำไมพ่อลูกนำสกุลไม่เหมือนกันนะอ๋อพ่อเขาเนี่ยใช้นำสกุลก็คือชื่อปู่และจะมีนำสกุลจริงๆอีกอันหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเป็นชื่อเผ่าเหมือนกับท่านในบีก็คื อ, อ, อกุรอชีอะไรประมาณอย่างเงี้นะฮะหรือ ว, ว่า เ, เป็นต้นส่วนลูกเนี่ยลูกก็มานำสกุลก็กลายเป็นชื่อลูกแล้วก็ตามด้วยชื่อพ่อเอ้ยทำไมชื่อถ้าคนไทยบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่พ่อลูกกันแล้ว เลยครับเป็นคนละธรรมเนียมคนละวัฒนธรรมกันที่ศาสนาห้ามเนี่ยคือห้ามอ้างว่าตัวเราเนี่ยเป็นลูกของคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อที่แท้ๆถ้าไม่มีพ่อหรือว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเนี่ยก็ให้บอกว่าเป็นอิบลุนอิสลามไม่ไม่ต้องอ้างหรืออ้างไปเฉพาะแม่อีกเดี๋ยวถ้าบางทีอาจจะเกิดจากครูซิน่าเนี่ยเป็นต้นนะครับวัน ล, ล่อหัวลำครับถามได้นะครับ ชื่อะชื่อใครนะครับถ้าเขาไม่รู้จริงๆก็ใช้ได้เพราะอับดุล้อนี่คือคำว่าอับดุลร้อในภาษาอรั б เนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาชื่ออับดุล้อจริงๆอย่างบางทีเนี่ยเขาเรียกยาอับดุลลอห์โอ้ผู้เป็นบ่าวของอัลลอ์ซึ่งใครอะครับก็ทุกคน่ะใช่ คือเรียกว่บินทูอับดินละเป็นเป็นลูกของอับดุลอดลอฮ์ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อเขาชื่ออับดุลลอฮ์อย่างเดียวแต่คือเขามีชะนะครั บ, บถ้าต้องถามเพิ่มได้นะครับคุณไอายาเน่ทักทายมานะครับอดทนอย่างดีงามขอบคุณนะครับคุณไซยฟัฟหลายท่านนะครับ เดี๋ยวดูผมดูดูคำถามยิงเดีวลนกันนะครับพี่น้องมีคำถามที่นี่ถามได้นะครับอ่าไม่มีครับที่นี่ไม่มีคำถามนะครับอ่าเชิญครับที่นี่มีไม่ไม่ได้ผิดฮนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย กาูฟ ah ีฮิมินซาฮิดีนอุลมะเาบอกเป็นเป็นหลายทัศนะว่าใครที่ซาฮิดีนแล้วก็ใครที่เป็นคนขายบางทัศนะบอกว่าหมายถึงพี่น้องของนบยูซุฟเองที่เขาเนี่ยเป็นคนขายหมายถึงว่าขายนบยูซุฟเนี่ยแต่ว่าผมก็ดูว่ามันมันค่อนข้างไกลนิดหนึ่งอะอย่างเช่นเดี๋ยวกลับไปนิดหนึ่งนะฮะตัวที่นบิยูซุฟอะลัยสลาเนี่ยเขาบอกว่าอ่ากอลัยาบุชราะฮะ ว่าซาูฮูบิโตตั้งแต่อายะตั้งแต่ส่วนนี้นะฮะแล้วนําเอายูซุฟเนี่ยทำเป็นสินค้าบอกว่าเมื่อก <c oughs> อคาราวันมันพบตัวใน บ, บิลซุฟจับใน บ, บิลซุฟขึ้นมาและจะเอาไปเออเอาเอาไปแล้วใช่ไหมฮะปรากฏว่ามีพี่ๆบางคนเนี่ยมาซึ่งไม่ได้มีในตัวบทเนี่ยพี่ๆมาบางคนมาบอกว่าเ น, นี่ยยูซุฟเนี่ยเป็นทาสของพวกเราและเราจับตัวเขาหนีหนีจากพวกเรามาส่งตัวคืนมาและคนที่ขายเนี่ยก็คือว่าซาเลหูบิซัมมนบักซิน คนนี้ขายก็คือพี่ๆนบิซุปแต่ซึ่งมันค่อนข้างจะไกลหน่อยพอเราได้ตัดฉากไปแล้วฮ ะ, ะพี่ๆเนี่ยกลับไปหาคุณพ่อเรียบร้อยแล้วไม่ได้กลับย้อนกลับมาอีกทีดังนั้นเขาว่าขายเนี่ยน่าจะหมายถึงบรรดาพวกเขามากกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อหมายถึงบรรดากองคาราวานที่เป็นคนขายด้วยราคาที่ถูกคําว่ามินาฮีดีเนี่ยก็น่าจะหมายถึงพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่สมารถนะเมื่อกี้ที่คุณสมัย ถ, ถามว่าการขายเนี่ยคือถ้ามันเป็นระบบตลาดที่ ตลาดที่ราคาสินค้ามันจะขึ้นอยู่กับตัวตลาดเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะขายได้ไอ้อย่างสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับว่ามันขึ้นอยู่กัสถานที่ด้วยขึ้นอยู่ความต้องการขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดทั้งหมดนะฮะอย่างเช่น เ, เราไปสนามบินอย่างเงะะี้ยฮะนึกออกไหมฮะสนามบินโอ้โยน้ําปกติเอ่อช า, ชาเลมอนปกตินี่20บาทแต่เข้าไปในะข้างในนะฮะ ครังไหนยิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแพงเกือบจะถึงคขึ้งบินยิ่งแพงยิ่งบนืึ้นบินยิ่งแพงก็ไมใหญ่ล่อไปบางทีสี่สิลึกเข้าไปอีก70แบบนี้ถามว่าเขามันโกงราคาอันมันก็อยู่ที่ความต้องการไงเพราะคุณเอาน้ําเข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ลูกค้าเหมือนกันฉันบอกว่าฉันไม่กินดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวรอลงเครื่องก่อนแล้วก็ไปเซเว่นก็จะราคาถูกกว่านี้สองขวดแค่30มสิบอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือในตัวราคาเนี่ยตราบใดที่ มีวงเล็บหนึ่งว่าตราบใดที่ไม่เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความต้องการของตลาดอย่างเช่นข้าวสารอย่างเช่นน้ำตาลอย่างเช่นอะไรต่างๆที่ที่ตลาดมีความต้องการแล้วเราอาจจะกักตุนใช่ไหมฮะแล้วรอสินค้าขึ้นหรือเราเป็นเจ้าเดียวในตลาดแบบนี้ในศาสนาห้ามที่จะขายราคาที่มันเกินเกินควร แต่อุลมามะเนี่ยเขาพูดถึงว่าไอราคาจริงๆแล้วราคาที่เกินเกินควรจริงๆเนี่ยมันมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้ดูที่ว่าสมมติว่าซื้อมา ซ, อซื้อมาพันหนึ่งขายสองพันุยคุณเอากำไรเท่าไหร่ฮะร้ยเปอร์เซมีตัวบทหลักฐานฮะดิษท่า น, นมีซอน ม, มีซอว่าคนหนึ่งเนี่ยนาบีให้ไปซื้อแกะตัวหนึ่งเขาไปซื้อนาบีให้ไปหนึ่งดิมทำมีบอกไปซื้อแกะมา นะะหนึ่งดิรธมหนึ่งดินัสผมจาตัวหน่วยไม่ได้นะซ้อมประทนี้เนี่ก็เอาไปซื้อมาอ่ะไปซื้อเสร็จซื้อมาได้แล้วไปขายซื้อหนึ่งดิรธรมใช่ไหมฮะขายได้สองดิรธรมขายได้สดิรธรมแล้วไปซื้ออีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งดิรธมเอามาให้ท่านนา บ, บีเนี่ยคือแกะหนึ่งตัวพร้อมเงินหนึ่งดิดงรธรมแสดงว่าเขากำไราเนี่ยคือเท่าตัวมีตรงนี้ใช่ไหมฮะน บ, บีไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้ทำเช่นนี้ แสดงว่าเขาเอากำไรเท่าไหร่ฮะกำไรเท่าตัวได้ไหมครับได้ทําไมฮะเขาไม่ได้ไปอาทำใครเพราะการค้าในอิสลามเนี่ยคือขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแบบนี้จริงนะฮะปรัชญาของการค้าจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้คือความพอใจผมย ก, กตัวอย่างเช่นไปซื้อกาแฟสดอย่างเงี้ยฮะไปซื้อกาแฟกาแฟสดกับกาแฟที่อินวัน เราไปซื้อได้เอาแค่บางทียี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อหนางเงือกใครเคยกินยี่ห้อหงเงือกไอ้ก็คือแก้วหนึ่งรอยห้าสิอย่างเงี้ยฮะซื้อไหมครับคนไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออันนี้จะขายเกินควรผมว่าต้นทุนมันเราทราบไหมอย่งเช่นกาแฟเฉยเฉยชื่อได้อย่างอเมซอนเนี้ยฮะต้นทุนเขาเนี่ยต่อแก้วเนี่ยเท่าไหร่สาสิบบาทต้นทุนเพราะว่าเขามีค่าสถานที่ค่าอะไรต่ออะไรมากมาย แล้วเขาก็มีสิทธิที่จะขายราคาที่มันมันสูงได้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับประชาชนของการค้าก็คือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนี้หมายถึงว่าสิ่งที่มันฮารานนะฮะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ฮารอมอย่างที่บรรดาคนที่เขาจับตัวนบียูซุฟอะไรท่สลามจะไปขายนะครับครับครับใช่ฮะหมายถึงว่าใช่ ไม่ใช่ขายราคาสูงได้ขายราคาสูงคือคําว่าสูงต่ำมันก็มันก็แล้วแต่ ใ, ใช่แล้วแต่ความพอใจแล้วบางทีเราเอาคุณภาพที่ดีกว่าอย่างเช่นอะไรฮะคือเราไปเพิ่มมูลค่าอะไรบางอย่างเนี่ยใส่แพ็กเกจให้มันดีขึ้นนิดนึงสมมุติถ้าข้าวสารข้าวสารจะขายแบบถุงธรรมดาแต่กับถุงไอ้ที่มันซีนอย่างดีราคาต่างกันละหรือเข้าวสารที่มันคัดกับไม่คัดเนี่ยก็ราคาต่างกันนะครับแต่หมายถึงว่ากรณีที่ สังคมขณะนั้นเนี่ยต้องการต้องการน้ำตาลและเราก็บอกอฉันคือคุณจะมาใช่ไหมชาร์จเลยถ้าแบบนี้เนี่ยฮะแต่ถ้าโดยทั่ทวไปเราขายบอกฉันขายแพงหน่อยสมมติว่าเป็นเป็นอาหารด้วรกันนะฉันทำร้านอย่างดีแล้วขายแพงนิดหนึ่งได้ไหมครับได้คือตลาดเนี่ยจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเออจะราคาสูงราคาตา่ำเพราะมีฮะมีคนที่ ขายราคาต่ําร้านอาหารมีนะมีพี่น้องบางท่านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าขายในใ น, ในถิ่นที่เอ่อในถิ่นที่เขาขายราคาสูงหน่อยแต่นี่คือแบบแหวกไปนิดหนึ่งขายราคาแบบต่ําๆแล้วพี่น้องคิดว่าคือมันแบบว่ามันไม่ไม่ใช่ตลาดนั้นเนะ่ะแล้วคนเนี่ยเวลาเห็นราคาต่ําแล้วเนี่ยเดาไปอันดับแรกเลยนะฮะเขานึกว่าอะไรฮะนึกว่าเกจไม่ดีคุณภาพไม่ดีสุดท้ายเนี่ยอยู่ไม่ได้ ต้องย้ายแล้วบางทีเนี่ยเจ้าของนะเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อแล้วแต่ว่าคุณอาจจะเลือกอะไรนะฮะเลือกของราคาสูงเองไม่ยอมเลือกของราคาที่ต่ําๆไม่ฮะมันคือมันมันขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคนและคนในปกติผมมันมีไ อ, อ่คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องหนึ่งไอ่ไ อ, อ, อ, อ่อะไรนะย่างที่ปัดน้ําฝนนะฮะมันมีสองยี่ห้อที่แบบว่าก็ขายกันแบบว่า สูสีกันมาตลอดมียี่ห้อหนึงปรากฏว่ามาขายได้ดีเลยทำอย่า ง, างไงรู้ไหมฮะทําอย่างเดียวก็คือขึ้นราคาเขาอาจจะปรับคุณภาพอะไรเล็กน้อยขึ้นราคาทีเดียวขายดีกว่าทําไมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคือคนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันต้องดีกว่าแน่เพราะราคามันสูงอันนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะมาหลอกคนหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่หมายถึงว่าประเด็นก็คือขึ้นอยู่ความพึงพอใจ ความพอใจระหว่างกันเนี่ยคืออะไรเนี่ยอิลลาอันตะกูณติจารตันอลัลลอฮฺบอกว่าห้ามกินทรัพย์สินของผู้อื่นบิลบาตินโดยไม่ชอบธรรมทุกอย่างที่กินทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบทำเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องจากจะมีการขัดแย้งกันจากขโมยจากไปปล้นเขาจากไป อ, อะไรนะยักยอกหรือจะไปช่อรัดบางหลวงใต้โต๊ะใต้โต๊ะนี่ก็มันก็ไม่ชอบทำยังไงเอาเงินหลวงใช่ไหมฮะหรือว่าไปแซงหน้าคนอื่นไปรัดเชือดอะไรต่างๆองี้ฮ ไม่ชอบทํามันจะทําให้เกิดการทะเลาะกันทําให้สังคมเนี่ยไม่เจริญถ้าแบบนี้เนี่ยอิสลามห้านอกจากการค้าการค้าเนี่ยปรัชญาของมันที่เราบอกอ an um ันตะกูนติจารตันอันตรอดิมมินกุลเนื่องจากมันเกิดความพอใจระหว่างกันไม่มีใครนะท้าซื้อขายของอะไรแล้วนะแล้วไม่พอใจไม่พอใจนั่นะซื้อทําไมถูกไหมฮะคือประเด็นก็คือเขาพอใจแล้วดังนั้นถ้าพอใจแล้วเนี่ยก็มีปัญหายกเว้นถ้ า, อ, า, า, อ, ยาอย่างบางกรณีที่อ่า เปนแบบว่าเจ้าตลาดก็มีบางทีรายใหญ่อะไรนเนี่ยเขาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะฆ่ารายเล็กๆให้ตายก่อนสายป่านยาวยอมขัดทุนช่วงแรกตายเสร็จปุ๊บขึ้นราคาได้ของตลาดเจ้าเดียวแบบนี้ไม่ถูกเพราะอะไรฮะคือใช้วิธีที่แบบว่าเออเป็นกึ่งๆึกักตุนสินค้านี่อิสลามได้หา้าบแต่ว่าถ้าปล่อยคนไกลไปอันนี้คือแข่งกันไปแข่งด้านคุณภาพคนนี้ก็แข่งเราก็แข่งแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันแข่งเพื่อ สร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนที่อิสลามอนุ ญ, ญาตนะครับอัลลอฮฺว่าลาะมีอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็อัญชลองขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ขอรอบเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับอันกุรอานกุรอานนี่คื อ, อ, อวิธีชีวิตของออพวกเราในการดําเนินชีวิตนะครับพี่น้องที่รับฟังในวันนี้ทุกท่านที่มัสยิดส่วนบูแห่งนี้นะฮะ แล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางด้าน เ, เพจของสำนักพิมพ์บ้านมุสลิมด้วยนะครับเลนชอลล์ลับพวกนี้ผมจะมีไลฟ์สดกับประชาสัมพันธ์พี่น้องที่นี่ด้วยนะฮะไลฟ์สดของบ้านมุสลิมช่วงสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ผ่า น, นเพจนะผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับชื่อนะฮะสามช่องทางสร้างแพสซีฟอินคอมแบบท่านนาบีซอลล์ลับผมรู้ว่ออาอาจจะเคยได้ in ยินแพสซีฟอินคอมอะไรต่างๆผมจะนำเอาฮัลลิศจากท่านนาบีซอลล์ ล, าลาับเอามาแล้วก็มาพูดกัน เลตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปก็พี่น้องฝากพี่น้องทุกท่านได้ติดตามนะครับอัลลอฮลนบี m h a m m a วะลัอาลัยฮุสซาฟิลามสลมวะลัยมุรห์มตุลลอฮมุบาระกาตุ